วันนี้เป็นวันพระรหัสที่ยี่สิบพฤษภาคมพุทธศักราชสอง3ห้ากสาเป็นวันฟังเทศฟังธรรมอีกหนึ่งครั้งที่นี่เราจัดการแสดงธรรมทุกสี่วันด้วยกันวันนี้ก็ ครบวาละของเวลาที่จะต้องมาแสดงธรรมพูดธรรมะให้กับท่านผู้ที่สนใจผู้ติดตามฟังอยู่ทั่วโลกในทางระบบ Facebook กับ YouTube และระบบวิทยุออนไลน์ผ่านทาง เว็บไซต์พระสุชาติ .com แล้วก็ยังมีการใช้ Zoom a อ p l i c a t i o n สำหรับผู้ที่ต้องการจะเห็นหน้ากันผู้ที่อยากจะให้ผู้อื่นได้เห็นหน้าและอยากจะเห็นหน้าตนเองก็สามารถเข้าไปในที่ลิงก์ที่แอดมิน ได้โพสไว้ในเพจคลิกเข้าไปแล้วส o ่ a อ p l i ิ a t i o n ก็จะขึ้นมาแล้วท่านก็จะเห็นหน้าตาของผู้ที่กำลังติดตามชมกันอยู่การฟังธรรมนี้พระพุทธเจ้าทรงตัดสอนไว้ว่าเป็นมงคลอย่างยิ่งมงคลคือประโยชน์ มีประโยชน์ที่จะทำให้พัฒนาชีวิตจิตใจให้ดีขึ้นให้มีความสุขมากขึ้นให้มีความเจริญมากขึ้นความสุขนี้ก็คือความสุขทางใจไม่ได้ใช่ความสุขทางลาบยศสรรเสริญความเจริญก็เช่นเดียวกันเจริญทางจิตใจ ไม่ได้เจริญทางราบยศสรเสริญสุขความสุขทางราบยศสรเสริญ ส, สุขนี้เป็นความสุขที่ชั่วคราวที่สิ้นสุดลงไปกับความตายของร่างกายแต่ความสุขความเจริญนี้อยู่ยืนยาวนานกว่า เป็นความสุขความเจริญของจิตใจจิตใจก็เป็นเหมือนกับต้นไม้หรือร่างกายต่างเพียงตรงที่จิตใจไม่ตายเหมือนต้นไม้เหมือนร่างกายจิตใจอยู่ต่อไปเพราะฉะนั้น การฟังเทศฟังธรรมนี้จเจริญประโยชน์ไปที่ความสุขความเจริญทางจิตใจไม่ได้พุ่งไปที่ความสุขความเจริญทางลาบยศสรรเสริญดังนั้นผู้ที่ฟังธรรมแล้วมาบ่นว่าไม่ร่ำไม่รวยนี่ช่วยไม่ได้ไม่ได้ เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งไม่ได้รับรางวีรางวัลอะไรต่างๆอันนี้ไม่ได้เป็นผลประโยชน์ที่จะได้รับกจากการศึกษาฟังเทศฟังธรรมอันนิสงของการฟังเทศฟังธรรมก็ทรงแสดงไว้อยู่ห้าประการด้วยกันคือหนึ่งจะได้ยินได้ฟังเรื่องของธรรม ที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนสองเรื่องของธรรมที่เราได้เคยได้ยินได้ฟังแล้วพอเราได้ฟังเพิ่มมากขึ้นตามลำดับเราก็จะเกิดความเข้าอกเข้าใจดีขึ้นไปตามลาดับสจะกําจัดความลังเลยสงสัยต่างๆให้หายไปให้หมดไปได้ สีจะทำให้เกิดมีความเห็นที่ถูกต้องห้าจะทำให้จิตใจสงบผ่องใสมีความสุขข้อที่ห้านี้สามารถรับผลได้ทันทีถ้าตั้งใจฟังด้วยสติและกายวาจาที่นิ่งที่สงบ เวลาฟังเทศฟังธรรมจึงไม่ควรทําอะไรอย่างอื่นควบคู่ไปด้วยเพราะว่าจะไม่ได้รับประโยชน์จะไม่ได้ทําให้จิตใจสงบนั่นเองออเวลาฟังธรรมถ้าอยากจะให้จิตใจสงบกายวาจาต้องสงบนั่งกายต้องอยู่เฉยๆวาจาก็ไม่พูดคุยกัน ใจก็ไม่คิดถึงเรื่องราวต่างๆให้คิดอยู่กับเรื่องของธรรมที่กำลังติดตามฟังอยู่ในขณะนี้เท่านั้นแล้วธรรมก็จะเข้าไปปรับใจจากความวุ่นวายต่างๆให้มาสู่ความสงบต่อไปเพราะใจนี้ก็เป็นเหมือนเครื่องปรับอากาศที่จะปรับอุณหภูมิของใจ ที่ร้อนด้วยเรื่องราวต่างๆให้เย็นลงนี่คือประโยชน์ถ้าประการด้วยกันข้อที่หนึ่งจะได้ยินได้ฟังธรรมที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนอถ้าเราไม่เคยได้ศึกษาธรรมเลยเราจะไม่รู้ว่าหนึ่งอะไรคือธรรมธรรมนี้ก็แปลว่า คำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าผู้ทรงตัดสรุความรู้ความจริงที่บุคคลทั่วไปไม่รู้ไม่มีใครรู้เรื่องราวที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสรุ เรื่องราวที่พระพุทธเจ้าทรงตัดสรุก็คือเรื่องราวของจิตใจของพวกเราทุกคนที่พวกเราไม่รู้จักกันพวกเรารู้จักแต่ร่างกายแต่เราไม่รู้จักจิตใจของเราอย่างแท้จริงอาจจะรู้แบบรูปๆคำๆที่ยังไม่พอเพียง ต่อการที่จะทำให้เกิดประโยชน์กับการรู้ได้ต้องรู้แบบพระพุทธเจ้ารู้เรื่องทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับจิตใจรู้ว่าจิตใจนี้เป็นอะไรรู้ว่าจิตใจนี้มีความจรัง ถาวรหรือเป็นของชั่วกราวพวกเราจะรู้ได้แต่เพียงร่างกายเพราะร่างกายเป็นรูปธรรม ท, ที่พวกเราเห็นกันได้อย่างชัดเจนเห็นตั้งแต่ออกจากท้องแม่เดีย๋ยวนี้มีเครื่องไม้เครื่องมือให้เราเห็นตั้งแต่อยู่ในท้องแม่มีอัลตราซาว มีสแกนอะไรต่างๆทำให้เราสามารถรู้เพศของทารกที่อยู่ในท้องได้ได้ยังรู้อะไรมากมายเกี่ยวกับทารกที่อยู่ในท้องว่ามีการพัฒนาบกพร่องหรือไม่บกพร่องมีโรคชนิดใดอยู่ในตัวทารกหรือไม่อย่างไร นี่คือเรื่องของความรู้ทางร่างกายทางร่างกายนี้มนุษย์เราเก่งแล้ว ร, รู้แทบทุกขั้นตอนของการสร้างของร่างกายเลยสามารถที่จะส่งเสริมการสร้างร่างกายได้โดยที่ถ้าทางธรรมชาติไม่สามารถสร้างร่างกายได้ มนุษย์เราก็ศึกษาวิธีช่วยธรรมชาติเช่นมีการผสมเทียมเพราะรู้ว่าการที่จะทำให้ร่างกายเกิดขึ้นมาได้นั้นเกิดขึ้นมาจากอะไรก็เกิดจากการเอาเชื้อของพ่อและของแม่มาผสมกัน่างธรรมชาติก็ผ่านทางร่างกายของพ่อและแม่ แต่บางทีทางร่างกายของพ่อและแม่อาจจะบกพร่องอย่างใดอย่างหนึ่งก็สามารถมาแก้ความบกพร่องนั้นได้ถ้าไม่สามารถที่จะผสมเชื้อในท้องได้ในคันได้ก็มาผสมที่นอกคันก่อนเดี๋ยวนี้มีเครื่องไม้เครื่องมือสามารถที่จะผสมพัน ของร่างกายก่อนได้เหมือนกับต้นกล้าของของข้าวเนี่ยไม่ไม่ต้องหวานในในนาก็ได้มีการทำหวานไว้ในในกล้าก่อนทำเป็นต้นกล้าขึ้นมาก่อนพอโตแล้วถึงค่อยย้ายที่ไปปลูกในนาอีกทีนี้อันนี้ก็เหมือนกัน การผสมเทียมก็ผสมนอกคันก่อนพอเริ่มการก่อตัวแล้วก็เอาเข้าไปฝังไว้ในคันต่อไปอันนี้คือเรื่องของร่างกายเรารู้ตั้งแต่จุดเริ่มต้นตั้งแต่อยู่ในท้องแม่แล้วก็ออกมาจากท้องแม่แล้วก็จะเริ่เติบโตไปตามเวลาของมันจะเริ่เติบโตจน เป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นร่างกายที่สมบูรณ์เต็มขั้นแล้วก็เข้าสู่การเสื่อมคารชราของร่างกายไปจนถึงววละสุดท้ายของร่างกายคือววละความตายของร่างกายอันนี้มนุษย์เรารู้กัน แต่สิ่งที่มนุษย์เราเออไม่รู้กันคือจิตใจที่มาประกอบกับร่างกายออจิตใจที่มาเป็นผู้คอยสั่งการให้ร่างกายทำอะไรต่างๆ อ, อ, อันนี้เรามองไม่เห็นออไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือใดๆในโลกนี้ที่จะสามารถสแกนจะฉายแสง X ray, เ อ, อ็กซเรย์ หรืออุทาส่าห์จับตัวจิตใจได้ตัวจิตใจนี้ละเอียดกว่าเครื่องวัดเครื่องมือทั้งหมดที่มีอยู่ในโลกนี้ที่จะมาจับว่ามีรูปร่างหน้าตาอย่างไรมีคุณลักษณะอย่างไรเรื่องของจิตใจนี้จะศึกษาได้ต้องศึกษาได้ด้วยใจของผู้ศึกษาเอง มนุษย์เหล่านี้นอกจากมีร่างกายแล้วก็มีใจนใจที่มาควบคุมบังคับสั่งการให้ร่างกายเคลื่อนไหวใจไม่สามารถไปสั่งการระบบทํางานของร่างกายได้เช่นหัวใจเต้นปอดทํางานตับไตอันนี้อันนี้เป็นระบบภายในของร่างกาย ใจเป็นเพียงผู้ที่มาอยู่ภายนอกมาสั่งการให้ร่างกายเคลื่อนไหวเช่นให้เดินให้ยืนให้นั่งให้นอนให้วิ่งให้ทําอะไรต่างๆให้ทํากิจกรรมอะไรต่างๆทางกายทางวาจาใจเป็นผู้สั่งการได้แต่ใจไม่สามารถไปสั่งการให้ใจ เต้นเร็วเต้นช้าให้ทํางานตามความต้องการของใจได้ระบบภายในของร่างกายเป็นระบบปิดเป็นระบบของร่างกายเองเหมือนกับระบบของรถยนต์รถยนต์นี้เขาจะมีระบบของการทํางานของเขาคนขับรถนี้ไม่สามารถที่จะเข้าไป ไปยุ่งได้คนขับรถนี้เพียงแต่สามารถสั่งให้รถวิ่งไปไหนมาไหนได้เท่านั้นให้วิ่งช้าให้วิ่งเร็วให้อะไรต่างๆได้แต่จะไปควบคุมระบบะเครื่องยนต์เครื่องจักรอะไรต่างๆนั้นควบคุมไม่ได้มันเป็นระบบที่มันได้รับการจัดการ ขึ้นมาตามขั้นตอนของการผลิตเนี่ร่างกายกับจิตใจก็เหมือนกับคนขับรถกับรถยนต์นี่แหละเป็นสองส่วนด้วยกันเป็นสองสองอย่างคนละเรื่องกันร่างกายก็เรื่องหนึ่งจิตใจก็เรื่องหนึ่งเหมือนกับรถยนต์ก็เรื่องหนึ่งคนขับรถยนต์ก็อีกเรื่องหนึ่งคนละเรื่องกันคนละส่วนกัน แต่มาทำํทำทํางานร่วมกันคนขับรถต้องการเดินทางไปไหนมาไหนต้องการขนข้าวขนของขนบุคคลไปไหนมาไหนก็มาร่วมทํางานกับรถยนต์รถยนต์เป็นผู้ที่จะวิ่งไปไหนมาไหนเป็นผู้ที่จะรับบรรทุกผู้โดยสารรับบรรทุก สิ่งของต่างๆแล้วก็คนขับรถก็เป็นเพียงผู้ขับรถพาให้รถไปตามจุดหมายปลายทางที่คนขับรถต้องการให้ไปเท่านั้นจิตใจก็เหมือนกันจิตใจก็เป็นผู้มาสั่งการให้ร่างกายพาจิตใจไปตามจุดต่างๆที่ต้องการจะไปพาไปทำอะไรต่างๆผ่าน ทางเครื่องมือที่มีอยู่ในร่างกายคือตาหูจมูกเล่นกายที่เป็นเครื่องมือในการที่จ ะ, ะสัมผัสรับรู้รูปเสียงกลิ่นรสผดพทพะต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้จิตใจใช้ร่างกายเพื่อที่จะได้ไปเสพสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆ ใจิตใจเป็นผู้สั่งให้ร่างกายไปดูอยากจะดูภาพยนตร์ก็สั่งให้ไปดูภาพยนตร์อยากจะฟังเพลงก็สั่งให้ร่างกายไปหาเพลงมาฟังอยากจะลิ้มรส ด, ดมกลิ่นของอาหารของเครื่องดื่มก็สั่งให้ร่างกายไปจัดการหามาแล้วพอได้เสพได้สัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆ จิตใจก็เกิดความสุขขึ้นมาชั่วคราวชั่วขณะที่ได้เสพได้สัมผัสแต่พอผ่านไปแล้วความสุขที่ได้รับจากการเสพความสัมผัสนั้นก็จางหายไปถ้าต้องการความสุขอีกก็ต้องเสพใหม่เช่นเดิมเครื่องเดิมหมดไปถ่วยหนึ่งแล้วอีกซักระยะหนึ่งความสุขที่ได้จากเครื่องเดิมถ้วยนั้นก็หมดไป ถ้าอยากจะได้ความสุขเองก็ต้องห า, หาเครื่องดื่มมาดื่มอีกถ้วยหนึ่งเป็นต้นนี่คือการใช้ร่างกายของจิตใจจิตใจไม่สามารถหาความสุขภายในตนเองได้ไม่รู้วิธีหาความสุขภายในตนเองอก็เลยมาหาความสุข โดยผ่านร่างกายคือรู้วิธีหาความสุขผ่านทางร่างกายแต่ไม่รู้วิธีหาความสุขโดยที่ไม่ต้องใช้ร่างกายใจเลยต้องมีร่างกายเหมือนกับผู้ที่ต้องเดินทางไปไหนมาไหนจำเป็นจะต้องมีรถยนต์ ต้องอาศัยรถยนต์พาไปไหนไปไหนใจที่ต้องการมีความสุขก็ต้องอาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือหารูปเสียงกลิ่นรสผลทพะมาให้ใจได้เสพได้สัมผัสแล้วใจก็จะเกิดความสุขขึ้นมานี่คือการทำงานร่วมกันระหว่างร่างกายกับจิตใจ จิตใจเป็นผู้อาศัยร่างกายร่างกายเป็นผู้สนับสนุนให้ร่างกายให้จิตใจได้มีความสุขจากการไปหารูปเสียงกลิ่นรสผลพรชนิดต่างๆให้จิตใจได้มาเสพได้สัมผัสการร่วมทำงานนี้ก็ มีมีความสุขไปในในระยะเวลาหนึ่งแต่มันไม่ได้เป็นการร่วมทำงานที่จะราบรื่นเสมอไปบางครั้งบางเวลาก็มีอุปสรรคที่ทำให้การเสบรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆนี้เกิดขึ้นมาไม่ได้ เวลาที่ไม่สามารถที่จะเสบรูปเสียงกลิ่นลดผลพพะได้เวลานั้นก็เป็นปัญหาขึ้นมากับใจทันทีใจจะความสุขที่ไหลเข้ามาให้กับใจอย่างต่อเ น, นื่องก็เหมือนกับสะดุดลงไปถูกสกัดลงด้วยเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง เช่นรูเสียงกลิ่นรสโพรตพระที่เคยเสพเคยสัมผัสนั้นเกิดมีการขาดตอนลงด้วยเหตุผลใดเหตุผลหนึ่งเช่นสมมุติถ้าเป็นเครื่องดื่มเครื่องดื่มที่เคยดื่มเป็นประจำถ้าเกิดหมดขึ้นมาแล้วอยู่ใน ช่วงเวลาที่ไม่สามารถที่จะไปหาเครื่องดื่มใหม่มาดื่มได้อาจจะเกิดเพราะสินค้าขาดตลาดหรือเหตุการณ์บางอย่างเช่นช่วงนี้อาจจะถูกห้ามไม่ให้ออกไปนอกสถานที่ในบ้านจากบ้านไม่ให้ออกนอกบ้านก็มีการเกิดการสะดุดขึ้นมาทันที เคยไปหารูปเสียงกลิ่นรสชนิดนั้นชนิดนี้จากสถานที่นั้นสถานนี้สถานที่นี้แต่เกิดมีปัญหามีโรคระบาดถ้าออกไปแล้วจะไม่ปลอดภัยอาจจะไปติดเชื้อโรค ก, กลับมาได้ประโยชน์ที่ได้รับจะไม่คุ้มกับโทษที่จะได้รับกลับมา ก็เลยต้องหักห้ามจิตใจบังคับจิตใจให้หยุดออกไปข้างนอก<ม>ตอนนั้นก็จะเกิดการสะดุดของการไหลของความสุขที่ไหลเข้ามาสู่ใจผ่านทางร่างกายอย่างต่อเนื่องตอนนั้นใจก็จะเริ่มรู้สึกไม่สุขแล้วแล้วก็จะเริ่มมีความรู้สึกทุกข์แล้ว คือปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นจากการขาดความสุขนี่จะทําทให้จิตมีปฏิกิริยาทําให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาความจริงการขาดความสุขใจ น, นี้ไม่ได้เป็นตัวที่จะมาทําให้ใจเกิดความทุกข์ใจตัวที่ทําให้ใจเกิดความทุกข์ใจคือปฏิกิริยาต่อการขาดความสุขอันนี้แหละเป็น เป็นปัญหาขึ้นมาให้กับใจที่ไม่มีใครรู้วิธีไม่รู้ว่าทำอย่างไรทำให้ใจนี้ถึงแม้จะขาดความสุขที่เคยได้รับนี้จะไม่เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาด้วยพร้อมกันส่วนใหญ่จะเกิดความทุกข์ใจกันขึ้นมาเวลา ขาดความสุขที่เคยได้มีได้รับหรือสูญเสียความสุขที่เคยมีไปใจก็จะมีปฏิกิริยาสร้างความทุกข์ใจขึ้นมาโดยใช่เหตุปฏิกิริยานี้ก็เกิดจากความอยากของใจเองนี่เองอยากให้ได้ความสุขนั้นต่อไปยิ่งอยากก็ยิ่งเกิดความทุกข์ทรมานขึ้นมาก อยากมากก็จะทุกมากอยากนะอยากน้อยก็จะทุกน้อยนี่แหละคือคำว่าทำอยู่ตรงประเด็นนี้ทำที่สำคัญที่สุดที่พระเจ้าทรงค้นพบก็คือเรื่องของความทุกข์ใจนี้เองที่ไม่มีใครในโลกนี้รู้สาเหตุของความทุกข์ใจว่าเกิดจากอะไรรู้รู้เพียงครึ่งเดียวหรือว่า เวลาขาดความสุขทางร่างกายเวลาขาดความสุขที่ได้รับผ่านทางร่างกายคือความสุขทางรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะเนี่ยก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาแต่ไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรความทุกข์ใจทำไมต้องเกิดแล้วทำไมบางคนทุกน้อยกว่าบางคนบางคนทุกมากกว่าบางคน บางคนไม่ทุกข์เลยบางคนไม่ได้ออกจากบ้านไม่ได้ไป เ, เที่ยวไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสปวดสะพ้าต่างๆก็อยู่อย่างมีความสุขได้ใจมีความสุขมีความสบายใจได้อันนี้ไม่มีใครรู้ว่าเกิดจากสาเหตุอะไรมีพระพุทธเจ้านี่แหละเป็นผู้ตัดสั้สาเหตุอันนี้ ว่าสาเหตุของความทุกข์ใจนี่เกิดจากความอยากของใจอยากได้ความสุขที่สูญเสียไปที่ขาดไปพอไม่ได้ก็จะเกิดความทุกข์ความทรมานใจขึ้นมาแต่ถ้าไม่มีความอยากได้เวลาไม่มีความสุขความสุขขาดตอนไปหายไป ถ้าใจไม่เกิดความอยากขึ้นมาใจก็จะไม่ทุกข์ใจก็จะรู้สึกเฉยเฉยไม่เดือดร้อนจะว่าไม่ไ ม, ไม่ทุกข์เลยก็ไม่ใช่ถ้าถ้าไม่มีความอยากใจกับมีความสุขกับมีความสุขได้โดยที่ไม่ต้องมีความสุขเข้ามาทางตาหูจมูกเล่นกายถ้าไม่มีความอยาก แต่ใจของคนทุกคนที่มาเกิดในโลกนี้มีความอยากทั้งนั้นที่มาเกิดนี่ก็เพราะความอยากนี่เองความอยากที่จะหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผ่านทางตาหูจมูกเล่นกายอย่างต่อเนื่องนั่นเองจึงพาให้ใจนี้มาร่วมปฏิบัติการกับร่างกายมาเกาะ มาจับคู่กับร่างกายเวลาที่มีการก่อร่างสร้างตัวของร่างกายขึ้นมาใจนี่แหละเป็นผู้ที่มาเกาะติดทันทีใจที่ไม่มีร่างกายใจที่สูญเสียร่างกายอันเก่าไปใจนี้เปลี่ยนร่างกายมาอย่างต่อเนื่องเพราะร่างกายนี้เป็นของชั่วคราวแต่ใจนี้เป็นของถาวร เป็นของที่ไม่สูญสลายไม่ตายไปเหมือนกับร่างกายใจนี้จึงต้องคอยเปลี่ยนร่างกายไปเรื่อยๆรอร่างกายเก่าตายไปใจก็ไปรอรับร่างกายอันใหม่ต่อไปกระบวนการหรือขั้นตอนของการรับร่างกายอันใหม่นี้ก็ไม่ไม่เป็นที่ชัดเจนแต่ก็ไม่สำคัญ เพราะว่าไม่ช้าก็เร็วก็จะได้ร่างกายอันใหม่เพื่อที่จะได้มาทำตามความอยากของใจต่อไปอันนี้แหละตัวความอยากนี่แหละที่ทำให้ใจที่เรียกว่าเวียนว่ายตายเกิดเปลี่ยนร่างกายเปลี่ยนภบเปลี่ยนชาติร่างกายร่างนี้ตายไปเราก็บอกว่าจบแล้วชาตินี้สิ้นสุดลงชาตินี้ แล้วเดี๋ยวพอได้ร่างกายอันใหม่กลับมาเกิดใหม่จะเกิดมาในโลกนี้หรืออีกโลกหนึ่งก็ไม่มีใครรู้เพราะเราไม่มีความสามารถที่จะรู้ว่าในจักรวาลอันกว้างใหญ่มหาศาลที่มีดวงดาวต่างๆเยอะแยะไปหมดนี่จะมีโลกเหมือนกับโลกของเราอยู่หรือไม่จะมีมนุษย์มีสัตว์ อย่างที่มีกันอยู่ในโลกนี้หรือไม่แต่ถ้าพูดตามหลักของความเป็นไปได้มันมันน่าจะมีเเพราะว่าจิตใจนี้มันจะไปหาแล้วจิตใจนี้ไม่ต้องใช้ยาอวบากาศจิตใจนี้ดีตรงนี้ดีกว่าร่างกายสามารถไปจากโลกนี้ไปอีกโลกหนึ่งได้ อย่างรวดเร็วอย่างง่ายดายเพราะจิตใจไม่มีรูปร่างไม่มีขนาดไม่มีน้ําหนักไม่มีอะไรไปด้วยกระแสความคิดของใจนั้นถ้าสมมติว่ามีอีกโลกหนึ่งที่มีมีคนมีสัตว์เหมือนอย่างโลกนี้ใจก็สามารถไปเกิดในโลกนั้นได้ถ้าโลกนี้คิวเต็มเช่นคนยังไม่เกิดกัน เมื่อคิวมารอรอยาวอยู่เหมือนเราไปรอเอเข้าคิวที่ไหนแห่งหนึ่งที่ร้านอาหารร้านนี้คิวยาวก็ย้ายไปอีกร้านหนึ่งโลกนี้คิวยาวแล้วก็ย้ายไปอีกโลกหนึ่งก็น่าจะเชื่อว่ามีโลกอย่างนี้เยอะแยะไปหมดเพราะดวงวิญญาณนี้มันมีไม่ใช่น้อยๆแล้วทุกดวงวิญญาณนี้ มีความอยากที่จะได้ร่างกายทั้งนั้นอันนี้ก็เป็นเพียงการประเมินการเฉยๆแล้วก็ไม่ใช่เป็นเรื่องสำคัญอะไรที่จะต้องรู้ไอ้เรื่องที่ต้องรู้และเรื่องที่ต้องมาแก้กันก็คือเรื่องของความทุกข์ใจนี้เท่านั้นถ้าเรารู้เรื่องเรื่องของความทุกข์ใจว่าเกิดจากอะไรแล้ว ร, รู้วิธีที่จะหยุดความทุกข์ใจ ให้มันหายไปให้มันหมดไปจากใจแล้วก็ปัญหาของใจก็หมดไปจะไปรู้ว่ามีกี่โลกก็ไม่เป็นปัญหาอะไรจะไปรู้ว่ามีดวงวิญญาณกี่ดวงในในในตายพบนี้ก็ไม่สำคัญอะไรเพราะมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของของตนเองเรื่องของตนเองมีแค่นิดเดียวคือความทุกข์ใจนั่นเอง ทำไมต้องร้องห่มร้องไห้กันทำไมต้องเสียอกเสียใจกันทำไมต้องหวาดกลัวกันทำไมต้องวิตกกังวลกันทำไมต้องห่วงใยกันทำไมต้องโกรธกันเกลียดกันไอ้เรื่องเหล่านี้ตัางหากที่เราต้องมาให้ความสนใจมาแก้กันให้ได้เพราะเป็นตัวที่ทำให้ใจเราร้อนความร้อนของใจเนี้ยที่เราเรียกว่าทุกข์ ความเครียดของใจเนี่ยมันร้อนเวลาใจร้อนมันเครียดมันทุกข์เพราะมันกังวลบ้างกลัวบ้างห่วงใ ย, ยบ้างหวัดหวาดเสียวบ้างเสียใจบ้างเครียดแค้นบ้างอาการเหล่านี้ต่างหากที่พวกเราต้องมาศึกษากันให้รู้ว่ามันเกิดจากอะไรแล้วก็ รักษามันได้หรือเปล่าเหมือนกับเวลาที่เรารักษาร่างกายเวลาร่างกายมีโครคภัยไข้เจ็บเข้ามานี้หมอต้องรอดมกันเลยเช่นเป็นเช่นเป็นโรคใหม่ตอนนี้ที่ไม่เคยมีมาก่อนก็ต้องรอดมกันลทีนี้ค้นหามันว่ามันเป็นอะไรธรรมชาติตัวนี้มันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรเราจะทำให้มันตายได้อย่างไร จะป้องกันไม่ให้มันเข้ามาระบาดในร่างกายของเราได้อย่างไรอันนี้ตอนนี้แพทย์ส่วนใหญ่ก็จะพุ่งไปที่ตัวนี้กันเท้งนั้นก็เหมือนกับใจเนี่ยเราก็มีโรคที่มันเข้ามาทำลายจิตใจของเรามาสร้างความทุกข์ให้กับใจของเราโรคของใจนี้ไม่มีใครรู้ไมไม่มีใครสนใจ เพราะว่าไม่รู้ว่ามันเป็นเรื่องจําเป็นที่จะต้องรู้นะพราะคิดว่าถ้ารู้เรื่องถ้ารู้จักวิธีรักษาเรื่องของร่างกายแล้วเรื่องของของใจก็จะหายไปเช่นตอนนี้คนเราทุกข์กับโรคระบาดกันพอหมอสามารถหาวิธีหยุดการแพร่ระบาดของโรคได้ป้องกันไม่ให้โรคเข้ามา ทำร้ายร่างกายได้ความทุกข์ใจก็หายไปก็เลยคิดว่าความทุกข์ใจสุขใจนี้เป็นผลต่อเนื่องจากการแก้ปัญหาทางร่างกายก็เลยไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ได้ให้ความสนใจกับการศึกษาเรื่องของความทุกข์ของใจเพราะว่า มันไม่ได้มาทำให้เดือดร้อนแล้วก็ไม่ไม่รู้วิธีก็เลยแม่งทีก็ไม่รู้จะทำอย่างไรบางเรื่องก็มีบางเรื่องไม่ได้เกี่ยวกับร่างกายแต่ก็ทำให้ใจทุกข์ได้ร่างกายก็ดีสมบูรณ์แข็งแรงอะไรทุกอย่างปลอดภยัยจากโรคภยัยไข้เจ็บ แต่ใจก็มีความทุกข์ขึ้นมาแล้ววิธีแก้วความทุกข์ของใจก็แก้แบบวิธีผิดนก็แก้ด้วยการทําตามความอยากนั่นเองเวลาเกิดความอยากได้อะไรเวลาไม่ได้ก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาก็ต้องพยายามขวนขวายหาสิ่งที่อยากได้มาให้ได้น พอได้มาแล้วความทุกข์ใจนั้นก็หายไปยก็เลยคิดว่านี่เป็นวิธีแก้ปัญหาของของใจแต่มันเป็นวิธีแก้แบบชั่วครั้งชั่วคราวมันไม่ได้แก้แบบถาวรเพราะพอพ้นจากเรื่องนี้ไปเดี๋ยวก็มีเรื่องใหม่เกิดขึ้นอีกเอพอใจเกิดความอยากใหม่ขึ้นมาอีก เช่นใช่ไหมที่เคยพูดคอยเปรียบเทียบให้ฟังความอยากมันชอบโผล่จากจุดนี้ไปอีกจุดหนึ่งนพอได้จุดนี้แล้วก็อยากจะไปอีกจุดหนึ่งนะถ้าเป็นข้าราชการเช่นเป็นตำรวจในตอนต้นพอเป็นพลทหารก็อยากจะเป็นนายสิบแล้วพอได้นายสิบขึ้นมาทีนี้ก็อยากจะเป็นจ่าขึ้นมาแล้ว พอได้จ่าแล้วทีนี้ก็อยากจะได้เป็นนายร้อยแล้วจากนายร้อยก็อยากจะเป็นนายพันนายพันก็เป็นนายพลนอกจากยศแล้วยังอยากได้ตําแหน่งอีกที่มากับยศเด็กซึ่งบางคนมียศแต่ไม่มีตําแหน่งก็ได้ได้ยศแล้วถ้ายัางไม่ได้ตําแหน่งก็ต้องอยากจะได้ตําแหน่งอีกเช่นได้เป็นนายพันตํำรวจแล้ว ก็อยากจะเป็นหัวหน้าสถานีตำรวจนะเป็นผู้กำ ก, บ ก, บกับกากับการตำรวจนะอันนี้บางคนเป็นในพันแต่ก็ไม่ได้เป็นผู้กากับนะได้เป็นรองบ้างยังเป็นลูกน้องอยู่อยากจะเป็นหัวอันนี้แหละเป็นตัวที่มันมันก่อเรื่องอยู่ตลอดเวลาแล้วก็วิธีแก้ ของมนุษย์เราก็แก้ด้วยการทำตามความอยากกันถ้าได้ก็ดีใจสุขกันเลี้ยงฉลองกันถ้าไม่ได้ก็ต้องข่มใจทำใจแต่ความความความสงบมันไม่หายไปมันความทุกข์มันไม่หายไปมันยังคุกรุนอยู่เพียงแต่มันไม่ลุกโชดโชนขึ้นมามันก็ยังเกิดความอยากหลังอยู่ในใจอยากจะได้อยู่นั่นแหละ คอยจ้องคอยรอคอยหาโอกาสคอยวิ่งคอยเต้นอะไรต่างๆเพื่อให้ได้อสิ่งที่อยากได้มาแล้วได้มาเท่าไหร่ก็ไม่พอเพราะจะมีความอยากใหม่ขึ้นมาแทนที่ต่อไปเช่นมีการเล่าให้ฟังว่าความอยากของมนุษย์นี้เริ่มต้นที่เมื่อเกิดมาแล้วก็อยากจะอยู่ดีกินดี ร่างกายแข็งแรงปลอดภัยสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงอยู่ดีกินดีแล้วทีนี้ก็อยากจะร่ำรวยเพราะล่ำรวยก็สามารถที่จะซื้อความสุขชนิดต่างๆได้มากเพิ่มมากขึ้นพอล่ำรวยแล้วทีนี้ก็อยากจะมีเกียรติมียศมีตำแหน่งขึ้นมาก็วิ่งเต้นกันคนที่มีเงินก็ลงเล่นการเมืองกัน เพื่อที่จะได้เป็นสอสอได้เป็นรัฐมนตรีได้เป็นนายกทีนี้ก็มีเกียรตินะไปไหนคนก็ก้มหัวให้เปิดประตูให้คอยรับสั่งคอยรับใช้อยู่อยากจะได้อะไรเพียงแต่พูดขึ้นมาเท่านั้นยังไม่ทันสั่งมันมาทันทีอันนี้ก็เป็นความอยากขั้นต่อไปอยาก อยากรวยแล้วรวยแล้วนี่ก็อยากเป็นใหญ่เป็นโตอยากมียศมีเกียรติออยากแล้วพอมียศมีเกียรติแล้วก็ออยากจะอยู่ไปนานๆเป็นไปนานๆแล้วพอตายไปที่นี้ก็อยากไปสวรรค์ต่อนี่คือความอยากของสัตว์โลกที่เวียนว่ายตายเกิดในโลกนี้แล้วก็ ขอให้อยากให้กลับมาเกิดใหม่ชาติหน้ากลับมาให้รวยเหมือนเดิมแล้วรวยกว่าเดิมใหญ่กว่าเดิมเก่งกว่าเดิมดีกว่าเดิม <c oughs> นี่คือความอยากแต่ทางของการไปสู่ความอยากนี่มันขุกขะมันไม่ได้เป็นแบบกลีบกุลาบตลอด <c oughs> บางทีก็ไปเจอขวากน้ำ <c oughs> มันมีทางขุกะมีทางที่มีขวามมีน้าคือภัยต่างๆอันตรายต่างๆที่ตามมากับการมาเกิดโลกภัยชนิดต่างๆภัยชนิดต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้มันก็คอยมาสร้างความทุกข์สร้างความไม่สบาย อ, อกไม่สบายใจให้กับการมาเกิดอยู่เรื่อยๆแล้วก็ต้องไปเจอด่าน านสามด่านสุดท้ายก่อนที่จะจบชีวิตลงเนี่ยก็ต้องเจอความแก่เจอความเจ็บไข้ได้ป่วยเจอการพัดพรากจากกาันแล้วก็เจอความตายนยีอันนี้เป็นผลที่เกิดจากการที่ไปทาตามความอยากต่างๆนั้นการแก้ปัญหาความทุกข์ใจด้วยการทำตามความอยากต่างๆนี้ ยังไม่ได้เป็นการแก้ปัญหาที่รากเหง้าของของปัญหาถ้าเป็นต้นไม้ก็เพียงแต่ตัดกิ่งตัดก้านเดี๋ยวทิ้งไว้สักระยะหนึ่งกิ่งก้านมันก็งอกออกมาใหม่ไม่ได้ไปถอนรากโคนของต้นไม้ถ้ารากถ้าต้นไม้อยากให้ต้นไม้ตายนี่ต้องถอนรากโคนของต้นไม้ออกมาจากดินให้ได้ เมื่อรากคูณของต้นไม้ออกจากดินแล้วทีนี้ต้นไม้นั้นก็ตายอย่างแน่นอนอความทุกข์ที่เกิดจากความอยากก็เช่นเดียวกันต้องแก้ด้วยการกําจัดความอยากไม่ได้แก้ด้วยการต่อความอยากเสริมความอยากการทําตามความอยากนี้ <c oughs> เป็นการต่ออายุของความอยากเสริมความอยากให้มีเพิ่มมากขึ้น ไม่ได้ให้ลดน้อยถอยลงไปการที่จะทําทให้ความอยากลดน้อยถอยลงไปนี่พระพุทธเจ้าส่งคนพบว่าต้องหยุดมันต้องตัดมันต้องไม่ทําตามมันต้องฝืนมันเท่านั้นเราถ้าเราสังเกตดูเราก็คงจะรู้บางทีเรารู้ว่าบางอย่างไม่ดีเราก็ฝืนมันฝืนครั้งแรกก็ยากแต่พอฝืนครั้งแรกได้พอความอยากมัน มันหยุดไปชั่วคราวพอเกิดความอยากใหม่ครั้งที่สองมันจะไม่รุนแรงเท่ากับครั้งแรกนะแล้วถ้าเราสามารถหยุดความผืนความอยากครั้งแรกได้เราก็ทนฝืนหยุดความอยากครั้งที่สองไปมันเบาลงนะมันง่ายขึ้นแล้วพยายามฝืนไปเรื่อยๆเดี๋ยวความอยากมันก็หมดไปเองเช่นคนที่อยากจะเลิกสูบบุหรี่นะเลิกเดิมสุราเนี่ย เลิกเที่ยวเลิกช้อปปิ้งเลิกอะไรต่างๆถ้าฝืนใจไปสักพักหนึ่งแล้วความอยากที่จะทำสิ่งเหล่านั้นมันก็จะหายไปหรือหยุดไปหรือว่าไม่มารบกวนใจต่อไปถึงแม้จะกลับมามันก็ไม่มีริมีเดเหมือนเมื่อก่อนนี่เพราะเราสามารถที่จะฝืนมันได้นี่แหละคือทมที่พระเจ้ทาทรงตัดสั่ง ว่าความทุกข์ใจของพวกเรานี้ก็จะความอยากของใจของพวกเราเองเอยากหาความสุขอยากรูปเสียงกลิ่นรสปวดตาผะอยากมีอยากเป็นใหญ่เป็นโตเอยากเจอแต่สิ่งที่ดีอยากให้สิ่งที่ไม่ดีไม่มาสัมผัสไม่มาเข้าหาเราทุกครั้งที่เกิดความอยากเหล่านี้ขึ้นมา มันจะทำให้ใจหงุดหงิดําคาญใจมีหลายระดับบางระดับก็อพอถูถ่าไปพอทนได้บางระดับก็ถึงกับทำให้อยากจะฆ่าตัวตายมันความอยากนี่มันมีมีหลายขีดด้วยกันหลายระดับมีทั้งเบามีทั้งหนัก แต่มันก็เป็นตัวที่มาสร้างความทุกข์สร้างความไม่สบายใจต่างๆให้กับใจอยู่เรื่อยๆพระพุทธเจ้าทรงตัดสัตเ์รูเบื้องต้นก็ทรงเริ่มรู้ว่าเหตุที่ทำให้ใจทุกข์ใจไม่สบายก็คือความอยากทั้งสามประการนี้ความอยากหาความสุขผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายจากการเสพรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเรียกว่าการมาตัญหา ความอยากมีอยากเป็นก็อยากมีอยากอยากเป็นใหญ่อยากเป็นโตอยากจะมีหน้ามีตามีเกียรติมียศอยากเป็นหัวหน้าไม่อยากเป็นลูกน้องอันนี้ก็เป็นความอยากอีกสองอันอยากเป็นกับอยากไม่เป็นมันก็เป็นเหมือนมาคู่กันก็ได้จะมองว่ามันเป็นเป็นอยากแบบหนึ่งก็มันก็เป็นแบบไม่อยากอีกแบบหนึ่ง อยากให้มีอายุยืนยาวนานก็แสดงว่าไม่อยากตายอยากให้มีสุขภาพแข็งแรงก็แสดงว่าไม่อยากเจ็บไข้ได้ป่วยอยากให้มีกำลังวังชาให้สวยไม่สางให้บานไม่รู้เลยอย่างนี้มันก็อยากไม่แก่นั่นเองความอยากเหล่านี้มัน เวลาเกิดขึ้นมาในใจทีไรมันก็จะทำให้ใจสัน่นใจไม่สบายขึ้นมาทุกครั้งไปพระพุทธเจ้าทรงรูรา ว, วานีคือสาเหตุก็เลยส่งคนหาวิธีว่าเราจะทำไงให้ความอยากเหล่านี้มันหายไปมันหมดไปได้ก็ได้ไปศึกษากับครูบาอาจารย์ต่างๆเบื้องต้นก็ได้พบวิธี หยุดความอยากแบบชั่วคราวด้วยการหยุดความคิดเพราะความอยากนี่มันต้องอาศัยความคิดเป็นผู้นำถ้าไม่คิดแล้วมันอยากไม่ได้เหมือนหมานี่เขาว่าถ้าหัวไม่กระดดกหางมันไม่ส่ายหัวต้องกระดดกก่อนแล้วหางมันถึงจะส่ายอันนี้ก็เหมือนกันถ้าไม่คิดความอยากก็เกิดขึ้นไม่ได้ แต่พอคิดปั๊บความอยากก็จะเกิดขึ้นทันทีพอคิดถึงขนมก็อยากกินขึ้นมาทันทีคิดถึงเครื่องเดิมก็อยากจะเดิมขึ้นมาทันทีคิดถึงภาพต่างๆก็อยากจะดูขึ้นมาคิดถึงเสียงก็อยากจะฟังเสียงต่างๆทันทีอันนี้วิธีที่จะทำให้ความอยากเหล่านี้หยุดได้ก็ต้องควบคุมความคิด อย่าปล่อยให้คิดไปในทางที่จะทําให้เกิดความอยากขึ้นมาวิธีที่ดีที่สุดง่ายที่สุดก็คือหยุดมันซะเลยเพราะมันไปยากแยก่ความคิดก็ยากไม่เป็นอีกเดี๋ยวก็แยกไปแยกมาก็หลอกตัวเองอีกอยกคิดไปคิดมาเดี๋ยวก็คิดไปในทางความอยากขึ้นมาจนได้ยังงั้นก็เบื้องต้นนี้อย่าไปอใช้ ปัญญาแยกแยะเลยเพราะเรายัางไม่มีความสามารถเพียงพอความสามารถของผู้ปฏิบัติเบื้องต้นตนี้อยู่ที่การหยุดความคิดโดยการเจริญสติการเจริญสตินี้ก็จะเรียกว่าเป็นการเปลี่ยนความคิดก็ได้อยากเคยคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆก็มาบางังคับให้คิดดับคาบริกรรมพุทโธอย่างถ้าคิดอยู่กับพุทโธพุทโธ ความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผทพ้ามันก็จะเกิดขึ้นมาไม่ได้หรือถ้าคิดอยู่กับบทสวดมนต์มันก็เช่นเดียวกันถ้าเราสวดมนต์สวดอิติปิโสไปความคิดที่จะไปคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสคิดถึงสิ่งต่างๆมันก็ไม่มันคิดไม่ได้เมื่อคิดไม่ได้ความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆมันก็เกิดขึ้นมาไม่ได้ นั่นะทำไมผู้ปฏิบัติเบื้องต้นถึงถูกสอนให้ฝึกด้วยการสวดมนต์ไปก่อนไหวพระสวดมนต์หรือให้บริกรรมพุทโธไปอันนี้ก็เป็นการใช้ความคิดเพื่อมาหยุดความคิดที่ไม่ดีความคิดที่จะทำให้เกิดความอยากเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาะฉะงนั้นเราต้องหัดฝึก ใช้ความคิดแบบนี้ให้ได้ถ้าเราไม่ฝึกมันจะไม่คิดมันจะไม่ยอมคิดนะว่าเราเคยชินกับการคิดกับการหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นลดตลอดเวลานั่นเองพอเลื่อนตาขึ้นมานี้คิดถึงรูปเสียงกลิ่นรลกันละไม่เคยคิดถึงบทสวดมนต์ไม่เคยคิดถึงพุทโธเลยเออมันพอคิดปั๊บก็อยากแล้วเลื่อนขึ้นมาอ๋คิดถึงน้ำส้มคั้นคอแห้งผาก เดิมหน่อยอกาแฟตามแล้วไงน้ําสำคัญแล้วก็กาแฟอมันจะแล้วก็จะมีเรื่องอื่นตามมาต่อไปเป็นฉากฉากไปแต่ถ้าเรามาฝึกพุโทโธพุธโทโธกันเอหรือถ้าพุโทโธมันซ้ำซากมันเบื่อหน่ายก็เอาบทสวดมนต์อิติปิโสออิติปิโสภะกวาอาหังสัมมาสัมพุโทโธไปสวดมันไปเรื่อย เพื่อทวนกระแสของความคิดไปในทางรูปเสียงกลิ่นลดผลทพะนั่นเองการปฏิบัติธรรมนี่ท่านเรียกว่าเป็นการทวนกระแสทวนกระแสของความคิดของตัณหาความอยากนั่นเองตัณหาความอยากนี่มันจะเป็นผู้ผลิตกระแสของความคิดให้ไปหารูปเสียงกลิ่นรสชนิดต่างๆมาเสพอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาจนกระทั่งถึงเวลาหลับนี้ มันจะผลักดันให้กระแสของความคิดนี้ไปสู่กามรรตันหาภาวะตันหาวิภาะวะตันหานี่พระพุทธเจ้าเริอนักปราชญ์ในสมัยโบราณท่านก็รู้วิธีทวนกระแสต้องผลิตกระแสใหม่ขึ้นมาเพื่อดันกระแสที่มันไหลนีให้มันถอยกลับไปไม่ให้มันออกมาเพ่นพ่านในจิตใจ ก็ให้ใช้การบริกรรมพุโทโธพุโทโธหรือให้ใช้การสวดมนต์การสวดมนต์นี้ก็จะสวดบทไหนก็ได้เหมือนกันที่เขาบอกว่าบทนี้ดีกว่าบทนั้นมันมันเป็ น, ม, น, ปนมันเป็นอีกเรื่องนึงคือบทสวดมนต์นี้นอกจากเป็นาการผลิตกระแสต้านความกระแสของความอยากแล้ว มันก็เป็นความรู้ด้วยว่าบทสวดมนต์ส่วนใหญ่นี้เป็นพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้านี่เองเช่นบทพระธรรมจักกับระวัฒนสูตรสติปฐานสูตรนี่ก็เป็นบทสวดมนต์เหมือนกันแต่ถ้าเราแปลความหมายได้เข้าใจความหมายเราก็จะได้ความรู้ความรู้ที่พระเจ้าสอนให้เราศึกษาเพื่อที่เราจะได้รู้จักวิธี ที่จะมาถอดถอนความอยากต่างๆให้ออกจากใจให้หายไปหมดเลยแต่ถ้าไม่รู้ความหมายจะสวดบทไหนได้ประโยชน์เท่ากันว่าเป็นการผลิตกระแสะต้านกระแสะของความอยากนี้เองถ้าเราสวดไปสวดไปเรื่อยๆนานๆกระแสะของความอยากมันจะอ่อนลงอ่อนลงอ่อนลงแล้วเดี๋ยวนในที่สุดมันหยุดไปกําได้ แต่มันไม่หายไปมันเพี่งแต่มันสู้กระแสของบทสวดมนที่เราสวดไม่ได้เช่นเราสวดมนไปสักครึ่งชั่วโมงสักชัสักชั่วโมงหนึ่งเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเอ้ความคิดเกี่ยวกับรูปเสียงกลิ่นรสเกี่ยวกับกา마ตันหาภาวะตันหาวิภาวะตันหานี้มันมันเบาลงหรือบางทีมันหายไปเลยก็มีอันนี้นะมันเป็นวิธีขั้นตอนขั้นแรกของการทวนกระแส ของการระ ง, งับความอยากต่างๆแต่มันก็เป็นเหมือนกับการาชักกระเยอะกันพอฝ่ายได้ฝ่ายหนึ่งมีกําลังน้อยกว่าเดี๋ยวอีกฝ่ายหนึ่งก็จะดึงไปทางนั้นถ้าฝ่ายธรรมมีกําลังมากกว่าฝ่ายธรรมก็จะหยุดกระแสของฝ่ายกิเลสได้พอฝ่ายธรรมอ่อนลงเมื่อไหร่กระแสของกิเลสแรงกว่าเดี๋ยวกระแสของกิเลสก็จะผลักดันออกมาน ผู้ปฏิบัติสมาธิคงจะรู้กันเห็นกันเปช่วงที่กระแสธรรมแรงสติแรงเนี่จิตก็นิ่งสงบค่ะพอกระแสธรรมอ่อนลงปับ๊บกระแสความคิดอยากจะออกไปจากสมาธิเริ่มมาแนละ้วอยากจะไปรู้นั่นรู้นี่เบื้องต้นก็อยากจะรู้เวลาแล้วเ hey, ตอนนี้กี่โมงนั่งได้นานเท่าไหร่แล้วะมึงหลอกเราแล้ ว, ลวหลอกให้เราออกมาแะ้ว ออออกมาปั๊บลืมตาปั๊บก็มองกาดไปหาตู้เย็นหาอะไรทันทีหรืหามือถือก็ได้อยากจะรู้ข่าวาวแล้วอยากจะรู้ว่าใครส่งข้อความส่งอะไรมามันตอนนั้นสดายมันกระแสทำแหลกไปละกระจายไตอนนั้นเปิดเปิดปประตูด้านรับกระแสของกิเลสเต็มร้อยเลยกระแสของความอยากเต็มร้อย มันก็เลยไปทําตามความอยากลูกขึ้นออยากจะไปเดิมเครื่องเดิมก่อนเอมีขนมไหมอะไรไหมเเคียวมั่งของขบของเคี่ยวปัดดูมือถือว่ามีใครส่งข้อความเข้ามาบ้างะตอนนี้ก็ไหลไปตามกระแสแล้วนี่ว่มีข้อความเข้ามาก็ต้องมีการตอบโต้มีการอะไรกันก็ยาวแล้วทีนี้บางทีถ้าไม่ระวัง อาจจะเป็นชั่วโมงเลยก็ได้ดังนั้นผู้ปฏิบัติถ้าต้องการปฏิบัติให้ได้ผลอย่างต่อเนื่องนี่จะต้องมีมาตรการคอยคอยเบรกคอยห้ามถึงแม้จะออกมาก็ไม่ไม่ได้ออกมาแบบปล่อยให้ทำาลไรได้อย่างเต็มร้อยเหมือนตอนนี้เขาเริ่มปล่อยผ่อนคลายให้ออกมาจากนอกบ้านได้ แต่เขาก็ยังต้องมีมาตรการคอยควบคุมป้องกันเช่นออกไปนอกบ้านก็ต้องใส่หน้ากากนะอ่ต้องอย่าไปในที่ที่มันแออัดนะอย่าไปอยู่ใกล้ชิดกันต้องทิ้งระยะห่างกันผู้ปฏิบัติสมาธิก็เช่นเดียวกันถ้าไม่อยากจะทําให้ใจนี้มันไหลไปสู่ความทุกข์อย่างมหาศาลพอจากสมาธิมาก็ต้องมีมาตรการคอยควบคุมใจต่อไป ก็ต้องกลับออกมาก็ต้องเจริญสติต่อจะใช้พุทโธต่อก็ได้หรือถ้าไม่สะดวกเพราะว่าอาจจะต้องใช้ความคิดก็ต้องทํางานอะไรบางอย่างนี่ก็ใช้สติคอยเฝ้าดูการทํางานไปจดจ่ออยู่กับการทํางานเพียงอย่างเดียวคอยควบคุมอย่าให้ไปคิดเรื่องราวต่างๆอย่าให้ไปคิดถึงเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเพราะจะทําให้เกิด กามาตัณหาภาวะตัณหาหรือวิภาวะตัณหาขึ้นมานั่นเองให้ออกมาทาหน้าที่เฉพาะกิจออกมาถ้าต้องอเข้าห้องน้ำก็เข้าไปต้องดื่มน้าก็ดื่มไปต้องทำความสะอาดสถานที่ก็ทำไปแต่ทำด้วยสติคือให้ใจคอยจดจอ่อคอยเฝ้าดูของการกระทำอยู่ไม่ให้ไปคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆไม่คิดไปถึงราบยศสรรเสริญ ไม่ให้ไปคิดถึงคนนั้นคนนี้ต้องควบคุมเพราะไม่ใช่นั้นเดี๋ยวเวลาจะกลับเข้าไปใหม่นี่มันยากเหมือนปล่อยวัวออกนอกค อ, อกแล้วก็ปล่อยให้มันวิ่งไปตามทุ่ ง, งนี่ฮเวลาจะต้อนมันกลับเข้าคอกนี่โอยต้องเหนื่อยแต่ถ้าเรามีเชือกมีอะไรคอยดึงมันไวนน้ก็ให้มันไปได้แต่ให้มันไปแบบมีการควบคุมบังคับ พอถึงเวลาจะดึงให้มันกลับก็ดึงมันกลับเข้ามาได้ง่ายอย่างรวดเร็วน้นผู้ที่ปฏิบัติขั้นสมาธิเบื้องต้นเวลาจเจริญสติเพื่อให้จิตเข้าสู่ความสงบเพื่อให้ใจมีความสุขเพื่อให้ใจบรรเทาความทุกข์ที่เกิดจากความอยากที่จะทำให้ความอยากนั้นมันเบาบางลงอ่อนลงขั้นต่อไป เวลาออกจากสมาธิมาก็ต้องคอยควบคุมใจต่อไม่ใช่ปล่อยให้คิดไปตามความพอใจอยากจะคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสอยากจะคิดถึงใครก็คิดต่อไปไม่ได้นะถ้าอยากจะให้ปฏิบัติต่อเนื่องอยากให้คืบหน้าเจริญก้าวหน้าต่อไปนี่ออกมาแล้วก็ต้องคอยควบคุมอยู่เรื่อยๆเรพราะเป้าหมายของเราก็คือ ต้องการให้มันสงบตลอดเวลาทั้งในขณะที่อยู่ในสมาธิและออกนอกสมาธิถึงแม้ว่าจะเป็นสงบแบบชั่วครั้งชั่วคราวสงบแบบไม่ถาวรนะแต่ก็ดีกว่าไม่สงบเลยเพราะเราต้องการที่จะใช้ความสงบนี้เพื่อมาเป็นเครื่องมือในการเาจเริญปัญญาต่อไปเพราะเราต้อง จารปัญญาเพื่อส อ, สอนใจให้คิดไปในทางที่จะไม่คิดไปในทางความอยากอีกต่อไปนั่นเองออเใจชอบคิดไปทางความอยากเราสามารถใช้ปัญญาสอนใจให้คิดไปในไม่ให้ไปในทางนั้นได้คือให้เราคิดให้เราเห็นโทษของสิ่งที่ใจอยากได้ในเวลาอยากได้รูปเสียงกลิ่นรสก็ต้องสอนว่ามันเป็นทุกข์นะมันมีทุกข์ตามมา เพราะว่ามันไม่เที่ยงแท้แน่นอนบางทีเวลาไม่ได้เสพมันจะทุกข์เวลาได้เสพมันไม่ทุกข์แต่เดี๋ยวมันจะต้องมีเวลามีโอกาสที่มันจะไม่ได้เสพนั่นเองเพราะว่ามันอนิจจังไม่เที่ยงแท้แน่นอนถ้ารูปเสียงกลิ่นรสมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตาหูจมูกนิ้นกายก็ไม่แน่นอน เดี๋ยวตาอาจจะบอดก็ได้หูอาจจะหนกขึ้นมาก็ได้เ <Yeah. S 1> ต้องคิดแบบนี้แล้วมันก็จะเห็นทุกข์ที่จะตามมาพอมันเห็นทุกข์แล้วมันก็จะหยุดความอยากไปทางหาความสุขทา ง, ทางตาหูจมูกลิ้นกายได้มันจะไม่ไปเองมันไม่จะไม่คิดแล้วมันไม่คิดด้วยเหตุผลด้วยปัญญาเหตุผลก็คือคิดไปหาทุกข์ไปหามันทาไม เช่นไปดื่มยาพิษใครอยากจะไปดื่มยาพิษมากพอรู้ว่าเป็นยาพิษก็ไม่ดื่มแล้วแต่ถ้ายังไม่รู้ก็คิดว่าเป็นเครื่องดื่มอโนชะพอพิษมันแสดงช้าไงมันเป็นมันเป็นมะเรงอย่างนี้ยมันกว่าจะก่อตัวเรื่องพิษสุราอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมสุราไม่ใช่ดื่มปุ๊บจะเป็นโรคพิษสุราทันทีหลับแข็งทันทีมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเดิมไปเรื่อยๆสะสมไปเรื่อยๆวันล้น้อยวันละน้อย เดี๋ในที่สุดโรคตับแข็งก็ตามมาโรคตับโรคไตโรคกระเพาะอะไรต่างๆก็ตามมาอันนี้คือท่าคิดแบบนี้คิดให้เห็นโทษของสิ่งที่เราอยากได้ทุกสิ่งที่ในโลกที่เราอยากได้นี่มันมีโทษมีทุกข์ตามมาทั้งนั้นเพราะมันไม่เที่ยงแท้แน่นอนมันไม่ถาวรได้มาแล้วเดี๋ยวไม่ช้าก็เร็วก็ต้องหมดไปท่านจะสอนให้คิดไปรักเนี่ยอันนี้จัง ทุกขังอนัตตาความไม่แน่นอนของมันเลยผลิตความทุกข์ให้กับใจอยู่เรื่อยๆอนัตตาก็คือเราไปสั่งให้มันแน่นอนไม่ได้ไปควบคุมบังคับให้มันอยู่กับเราให้ความสุขกับเราไปตลอดไม่ได้ให้คิดแบบนี้กับทุกสิ่งทุกอย่างที่เราอยากอยากอนไรมองให้เห็นไตรลักษณ์ในสิ่งนั้นแล้วความอยากได้มันก็จะหยุดไปแล้วต่อไปมันก็จะไม่อยากได้อะไร แล้วความอยากก็จะถูกถอดถอนอย่างถาวรพอความอยากถูกถอดถอนอย่างถาวรแล้วก็ไม่มีตัวที่จะมาฉุดร่างให้ใจมาเลื่อมกิจกรรมกับร่างกายอีกต่อไปใจบอกว่าอยู่คนเดียวดีกว่าอยู่คนเดียวมีความสุขแบบไม่มีอะไรดีกว่าความสุขที่ได้จากการหยุดความอยากนี่มันเหนือกว่าความสุขทั้งปวงนัตติสันติปรังสุขขังเนี่ย นี่บาลังปรมังสุขขังเนี่ยอันนี้เกิดจากความอยากที่ถูกทําลายไปหมดจากใจเลยกลายเป็นปรลมังสุขขังเป็นความสุขที่ถาหวนแต่ถ้าเป็นความสุขสงบที่ได้จากการหยุดความคิดชั่วข่าวยังไม่เป็นปามังสุขังเป็นนัตติสันติบาลังสุขขั ง, เ ป, นน ง, ขขงเป็นความสุขชั่วขณะที่มันสงบแต่พอจากความสงบมามันก็ เป็นความทุกข์ขึ้นมาใหม่แต่พอได้เจริญปัญญาจนเห็นโทษของสิ่งของการไรอยากในสิ่งต่างๆว่านําไปสู่ความทุกข์ก็หยุดความอยากจากในสิ่งต่างๆได้ใจก็ไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือต่อไปไม่ต้องใช้ความสุขที่มีอยู่ในในโลกส ม, มุติความสุขระดับของร่างกายและความสุขระดับของใจ ความสุขที่ได้จากความสงบของใจขั้นรูปประชานและขัอรูปประชานก็ยังเป็นความสุขแบบสมมุติอยู่ยังเป็นนัตายรักิวเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตายอยู่ใจก็จะหยุดหมดหยุดพอความอยากหมดในใจก็เลยกลับสงบยิ่งกว่าตอนที่ได้ความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสได้ความสุขจากรูปประชานหรืออรูปประชาน ใจก็เลยไม่มีความจำเป็นที่จะกลับมามีร่างกายกลับมาหาความสุขในรูปแบบต่างๆต่อไปเอาความสุขจากการไม่มีความอยากดีกว่าเป็นความสุขที่ถาวรเป็นความสุขที่พาให้ทำให้การเวียนว่ายตายเกิดในตายพบนี้สิ้นสุดลง น, นี่แหละคือธรรมที่เราจะได้ยินได้ฟังจากการฟังเทศฟังธรรมในแต่ละครั้ง ฟังแล้วอาจจะเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างก็ฟังครั้งต่อไปก็จะได้ประโยชน์ข้อที่สองคือทำที่เคยได้ยินได้ฟังแล้วพอได้ฟังใหม่อีกครั้งหนึ่งก็จะเกิดความเข้าใจดีขึ้นแล้วก็ช่วยกำจัดความสงสัยต่างๆที่มีอยู่ในใจให้หายไปได้ตามลำดับแล้วก็จะทำให้เรามีความเห็นที่ถูกต้องคือเคยเห็นตามความเป็นจริงเห็นว่า การไม่หาความสุขผ่านทางร่างกายนี้เป็นการหาความสุขที่แท้จริงเพราะใจที่ไม่ต้องมาทุกข์กับร่างกายนี้จะเป็นใจที่มีแต่ความสุขนั่นเองนี่แหละคือเรื่องราวของการฟังเทศฟังธรรมที่เป็นมงคลอย่างยิ่งที่เอามาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พร ยะถาวาริวหาปุราปะเลปุเรนติสากหลังเอวเมวะอิโตทินนางเปตานังอุปกปติอิชิตังปะิตังตุมหังคิปเมวาสมิจจโตสัพเพปุเรนโตสังกาปาจันโทปนาราโสยะถามณีโชติ อาลาโสยะาสัพพิตโยวิวัจจันโตสัพพโรโควินัสโตมาเตผวะตวันตรายุสุขีทีขายุโกภวะอภิวาตนาสีลิปสานิจจังวุฒาปะจายโนจตารโหธรรมาวาทานติ อายุวโนสุขังภาลางเหตุการณ์ของโรคระบาดนี้มันก็ดีอย่างนะมันทำให้เราเห็นโลกในมุมกลับโลกอีกมุมหนึ่งมุมของการเสียอย่างแต่ได้อย่างเราเสียทางเศรษฐกิจ เสียรายได้เสียอะไรต่างๆแต่เราได้ธรรมชาติกับคืนมาเราเสียเศรษฐกิจเสียควันพิษไปเราได้อากาศบริสุทธิ์กลับมาเราได้น้ำใสสะอาดกลับมาเราได้ความสงบกลับมาอันนี้มันก็ทุกอย่างมันมีมุมกลับให้เรามองกันซึ่งถ้ามองดีๆเราก็อาจจะ โชคดีว่าเกิดมาได้เห็นโลกอีกมุมหนึ่งนะที่เราไม่เคยเห็นกันมาก่อนเราจะเห็นแต่โลกที่มีแต่ฝุ่นมีแต่ควันเต็มไปหมดท้องฟ้านี่แทบจะมองไม่เห็นมัวไปหมดกรุงเทพมหานครนี่เห็นหเป็นกรุงเทพได้ยังไงกรุงเทพก็แปลว่ากรุงที่อยู่ของเทพที่อยู่ของเทพก็คือสวรรค์นะี่ ทเทพก็อยู่แบบใส่หน้ากากันนะ <laughs> <laughs> ใช่ไหม เ, เ, เดยนี้เนี่ยพอเกิดโรคระบาดขึ้นม า, ากิจภารกิจต่างๆที่ไม่สำคัญไม่จำเป็นหยุดหมดการห า, าความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายรูปเสียงกลิ่นรสนห้หยุดหมดห า, าแตเา่เสร็จ แต่เรื่องที่จำจเป็นก็คือปัจจัยสี่มีอาหารเย็นมีที่อยู่อาศัยมียารักษาโรคมีเครื่องนุ่งห่มก็พอแล้วเราก็ได้ธรรมชาติขึ้นมาได้ความสายตายของธรรมชาติตอนนี้หายใจโล่งแต่ก็ต้องอ ย, อยู่ไม่อยู่ใกล้คนเท่านั้นเองถึงจะไม่ใส่หน้ากาศเวลาไม่ใส่หน้ากาศนี่ลองสูดอากาศดูสย จะรู้สึกว่าเป็นอากาศที่สะอาดอออองั้นอย่าไปว่าโควิดมันนะบางทีโควิดมันบางทีมันก็อาจจะมาเตือนให้สติกับพวกเราก็ได้ว่าพวกเรากำลังไปทางไหนกันออออวันนี้มีผู้ติดตามเข้ามาเท่าไหร่วันนี้ทางเฟซบุ๊กห้าร้อยห้าสิบหกสองร้อยแปดสิบเจ็ดวิทยุออนไลน์เจ็ด ซูมสิบ้ารวมทั้งสิ้นแปดร้อยหกสิบห้าท่านค่ะถ้ามีคำถามก็เชิญถามได้เลยคำถามต่อไปค่ะจากคุณระวีวรรณค่ะทำอย่างไรให้อารมณ์ที่กระทบแล้วเกิดที่เกิดความไม่พอใจในครั้งแรกไม่ให้เป็นอารมณ์ค้างส่งผลให้มากระทบกับอารมณ์ที่สองและสามที่รุนแรงขึ้นค่ะก็ต้องหยุดความคิดเกี่ยวกับเรื่องที่ทำให้เกิดอารมณ์เหล่านั้นขึ้นมา พอเกิดอารมณ์ปั๊บแล้วจิตยังไปหมกมุ่นคิดอยู่มันก็มันก็จะทําให้อารมณ์นี้มันผลิตออกมาเรื่อยๆก็ควรจะใช้สติแบบใดแบบหนึ่งสวดอิติปิโสไปบริกรรมพุทโธพุทโธไปแล้วอารมณ์นั้นก็จะระ ง, งับไปชั่วคราวทุกครั้งที่มันเกิดขึ้นก็ใช้สตินี้หยุดมันได้ชั่วคราว ถ้าอยากจะให้มันหายถาวรก็ต้องไปแก้ที่ต้นเหตุของอารมณ์ทั้งหมดอารมณ์ทั้งหมดก็เกิดจากความอยากนี่แหละพออยากแล้วก็เกิดอารมณ์ขึ้นมาทันทีอยากได้หรืออยากไม่ได้ก็มีอารมณ์น <c oughs> ั้นถ้าหยุดความอยากได้ต่อไปก็จะไม่มีอารมณ์เกิดขึ้นกับเราคำถามต่อไปจากคุณสุภาชัยค่ะ ขอให้พระอาจารย์ช่วยชี้ความสงบให้ทุกคนที่ต้องตายจะทำจิตอย่างไรก่อนตายอย่างไรไม่ให้มีทุกข์ใจเมื่อจะต้องตายจากโลกนี้ค่ะก็นะั่นแหละต้องหัดทำสมาธิให้ได้หัดจจเจริญปัญญาปองให้ได้ทำสมาธิก็ต้องหัดสวดมนต์ไปหัดบริกรรมพุทโธไปหัดดูลมหายใจเข้าออกไปอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าทำได้ใจก็จะสงบแต่จะสงบเป็นพักๆ ถ้าอยากจะให้ใจสง บ, บอย่างถาวรก็ต้องใช้ปัญญาสอนใจว่าชีวิตของเรานี้มีต้นมีปลายมีเกิดมีดับเป็นธรรมดาออตอนนี้เรากำลังถือจุดหมายปลายทางแล้วเราจะไปอยากให้มันไม่ถึงไม่ได้แล้วเราก็ไปกับมันเหมือนกับ น, นั่งรถเมื่อรถมันจะพาเราไปสู่ป้าสุดท้ายเราก็ต้องไปกับมัน อ, อ, อย่าไปทำอะไรฝืนไม่ได้ยิ่งฝืลยิ่งทุกข์ นยอมยอมหยุดเย็นนะยอมตายแล้วใจก็จะหยุดต่อต้านความตายพอหยุดได้แล้วใจก็จะเย็นจะสงบจะมีความสุขเหมือนท่านสุดใจท่านออกมา skiing, นอกห้องไม่ได้อาจารย์สุดใจท่านออกนอกห้องไม่ได้ก็ต้องยอมนั่งสมาธิไปท่านนั่งสมาธิได้ท่านก็นั่งสมาธิไปใจท่านก็จะหยุดต่อสู้หยุดหนีความตายหไม่เห้แม้นั่งกายถ้าไม่วิ่งไปคราบ ไปอะไรต่างๆยังก็นั่งไปทำใจให้นิ่งให้สงบพอหยุดได้ใจก็เย็นสบายนร่างกายร้อนแต่ใจเย็นแปลกไหมคำถามต่อไปจากคุณลาวานค่ะ ถ้าเรายังอยู่แบบปุตุชนคนธรรมดาอยู่แต่จิตใจเราน้อมประพฤติปฏิบัติตามแนวขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือคําสอนขององค์พ่อแม่ครูบาอาจารย์เราจะสามารถดุดพ้นจากทุกทั้งหมดทั้งปวงได้ไหมเจ้าคะได้การหลุดพ้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับการเป็นเพศนักบวชและเป็นผู้คลองเรือนดุดได้ทุกทุกเพศทุกวัยอยู่ที่ทำที่เราสร้างขึ้นมาภายในใจะ คือศีลสมาธิปัญญาถ้าเราสามารถสร้างศีลสมาธิปัญญาแบบเต็มร้อยได้การหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงก็เกิดขึ้นได้คำถามต่อไปจากคุณราเชนค่ะเวลาเราทําสมาธิหลับตาบริกรรมพุทธโธจําเป็นไหมครับเวลาบริกรรมลมหายใจเข้าพุทลมหายใจออกโธหรือบริกรรมแบบต่อเนื่องต่อ ต่อนเนื่องพุโทโธพุโทโธแบบไม่ต้องดูลมเข้าออกได้ไหมครับได้ทั้งสองอย่างแล้วแต่เราจะถนัดแลแต่เราจะพอใจนะบางท่านก็ใช้พุโทโธอย่างเดียวไม่ดูลมเลยบางท่านดูลมอย่างเดียวไม่พุโทโธเลยบางท่านเอาสองอย่างปนกันพุทเข้าโทออกได้ทั้งนั้นเหมือนสมัยนี้ไปสั่งพิซซ่าเนี่ยเอาแบบซีพุดครึ่งหนึ่งเอาบาสมา ไม่ใช่ซีฟูดครึ่งหนึ่งก็ได้หรือจะเอาซีฟูดอย่างเดียวหรือไม่ใช่ซีฟูดอย่างเดียวก็ได้แล้วแต่อันนี้เป็นเหมือนอาหารวิธีทำใจให้สงบนี่ก็เป็นเหมือนการรับประทานอาหารนั่นเ อ, ง, องนั้นมีหลายวิธีด้วยกันคำถามต่อไปจากคุณนพดลจาก zoom ค่ะผมชอบการสวดมนต์แต่ไม่ค่อยได้เจริญสมาธิจะสามารถมีความก้าวหน้าขึ้นได้ไหมได้ไหมหรือครับ ก็ต้องต่อไงหลังจากที่สวนมนต์เสร็จก็อย่าเพิ่งเลิกควรจะนั่งนั่งเฉยๆนั่งดูลมหายใจต่อไปคำถามต่อไปจากคุณรังสิมันค่ะมหาสติปัฏฐานสี่คืออะไรครับพระอาจารย์เป็นหลักสูตรวิธีปฏิบัติสติสมาธิและปัญญาของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนต่อพระภิกษุในสมัยพระพุทธกาลควรจะไปศึกษาดู ไม่อ่านคำแปลอย่าไปอ่านคำบาลีเพราะคำบาลีนี้เราไม่เข้าใจความหมายแต่คนไม่เข้าใจคิดว่าอ่านบาลีแล้วศักดิ์สิทธิกว่าอ่านคำแปลความจริงนั่นเป็นการเข้าใจผิดคิดว่าอ่านบาลีแล้วเป็นได้อ่านคำพูดของพระพุทธเจ้าโดยตรงพออ่านคำแปลแล้วไม่เป็นคำพูดของพระพุทธเจ้าแนละ้วไม่ใช่นะคำสอนของพระเจ้านี้สอนเพื่อให้คนฟังเข้าใจ ไม่ได้สอนให้ให้ได้ให้ได้ยินคำภาษาของพระพุทธเจ้านะให้เราอ่านเพื่อให้เกิดความเข้าใจพอเข้าใจแล้วเราจะได้รู้จักวิธีที่จะปฏิบัติอย่างถูกต้องที่เราเรียกว่าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนี่พ อ, อปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมรรคผลนิพพานก็จะปรากฏตามมาตามลำดับต่อไปคำถามต่อไปจากคุณพิทักษ์ทาง youtube ค่ะ กระผมได้เจอคำสอนของหลวงปู่ม่านในข้อที่ว่าการฝึกทรมานตนให้เหมือนผ้าเช็ดเท้าโดยไม่ยอมให้ทิฐิมานะโผล่หัวขึ้นมาว่าตัวเองมีราคาค่างวดนี้เป็นทางก้าวหน้าของธรรมภายในใจโดยสม่ำเสมอจนกลายเป็นธรรมชาติไม่หวั่นไหวเหมือนแผ่นดินใครจะทำอะไรก็ไม่สะเทือนหากฝึกตนเองตามคำสอนที่ท่านได้บอกไว้เราควรต้องทำอย่างไรครับก็ทำตามที่ท่านสอนเลย ทำอย่างไรก็ทําตัวให้เป็นภาคที่งริ้วให้คนอื่นเขาเหยียบย่ําได้ใครเขจะดูถูกดูแกลงใครเขาจะอะไรเขาจะถือว่าเขาดีกับเราเขาสะอาดกับเราสวยกับเราเด่นกับเรารวยกับเราหรืออะไรกับเราก็ปล่อยก็ว่าดไปเท่านั้นเองเราถือว่าเราเป็นภาคที่งริ้วเราสู้เขาไม่ได้เราก็สบายใจไม่ต้องไปไม่ต้องไปต่อสู้กันไม่ต้องไปแกลงแย่งชิงดีกันเราเป็นภ้าที้งริ้วแล้วสบายไม่ต้องไปวุ่นวาย แต่ถ้าเป็นผ้าขาวนี่ต้องคอยคอยรักษาอยู่เรื่อยไอะไรมา น, นิดหน่อยมาแตะนี่ต้องคอยไปเช็ดคอยไปซักแล้วแต่พอเป็นผ้าขีริ้วแล้วไม่ต้องซักมันซักเท่าไหร่มันก็ไม่มันก็ไม่สะอาดอยู่ดีปล่อยได้ปล่อยให้มันโสกโปกไปใจก็เหมือนกันปล่อยให้มันเป็นเหมือนของโสกโปกพอของโสกโปกมากระทบมันก็ไม่เดือดร้อนของโสกในที่นี้หมายถึงความทุกข์ต่างๆเรื่องราวต่างๆที่มาทําให้ใจทุกข์มันก็จะไม่ทําให้ใจทุกข์ เพราะใจมันยอมรับกับความทุกทุกรูปแบบได้นั่นเองทุกจากการดูถูกขัดดูถูกดูแกล้ทุกจากการถูกเขา้เายียอีอะไรนะหยาบยามอะไรเงี้ยก็ปล่อยเขาทาไปเราก็ห้ามเขาไม่ได้แล้วบางทีถ้าไปต่อสู้ขเขาอาจจะเจ็บตัวด้วยเขาไม่เจ็บเราก็เจ็บเนื้เจ็บด้วยกันทั้งคู่ดีไม่ดีถ้าร้ายแรงกว่านั้นก็อาจจะฆ่ากันตายได้ แต่ถ้าเราทําตัวเป็นผ้ากี้ริ้วแล้วทีนี้ก็สบายบ่อยให้ทุกคนทําไปตามที่เขาต้องการแต่ไม่ได้หมายความว่าเราทําแบบงงๆนะคือถ้าเราหลบได้ก็หลบเหล็กได้ก็หลีกเออจะรู้ว่าคนนี้มันผ่านมันจะหาเรื่องก็อย่าไปเข้าใกล้มันอะไรทํานองนั้นแต่ถ้าจําเป็นจะต้องเจอกันก็ต้องอดทนทําใจเฉยๆไปเดี๋ยวมันก็ผ่านไปให้คิดไว้อย่างนั้นคำถามต่อไปจากคุณชยาณีค่ะ ในที่ประชุมถ้าหัวหน้าใหญ่ว่าหัวหน้ารองของเราและต้องและหัวหน้ารองต้องถูกว่าคนเดียวเราฐานะลูกน้องควรช่วยพูดหัวหน้าให้หัวหน้ารองของเราหรือไม่เจ้าคะก็แล้วแต่ว่าเรามีโอกาสได้พูดหรือเปล่าถ้าเขาเปิดโอกาสให้เราพูดเราก็พูดไปถ้าเราไม่มีเขาไม่เปิดโอกาสเขาให้เราฟังอย่างเดียวเราก็ฟังไป ในฐานะที่เราเป็นลูกน้องก็ต้องทำตัวเป็นลูกน้องไปคำถามต่อไปจากคุณพิมพรค่ะศัพท์คำว่าอีโก้กับอัตตาแท้จริงมีความหมายเหมือนหรือต่างกันหรือไม่อย่างไรเจ้าคะคืออีโก้มันเป็นคำภาษาอังกฤษที่เราก็แปลว่าอีโก้แปลว่าอัตตาตัวตนภาษาอังกฤษอีโก้เขาแปลว่า self self ก็ตัวตนันก็เป็น เป็ น, ค ำ, น, นคำถามต่อไปจะคุณเค o p ค่ะสวดมนต์ต่อเนื่องบทเดียวหนึ่งชั่วโมงนั่งสมาธิ15นาทีทำต่อเนื่องช่วงระหว่างที่ไปไปไหนไม่ได้รู้สึกจิตกับกายเชื่อมกันนอนตื่นเช้าขึ้นแบบนี้เรียกว่าจิตมีกำลังหรือกายมีกำลังเจ้าคะควรต่อเนื่องเพิ่มการสมาธิหรือเปล่าคะพระอาจารย์ช่วยแนะนาเพิ่มเติมด้วยเจ้าคะ่ะ คกอเรื่องของสมาธิก็ทาให้ใ จ, จเจริญคือใจมีความสุขมากขึ้นมีความแข็งแกร่งมากขึ้นความนิ่งมากขึ้นไม่ส่วนร่างกายนี้อาจจะเป็นผลพลอยได้จากการปฏิบัติสมาธิได้ร่างกายก็อาจจะสดชื่นขึ้นเพราะร่างกายไม่ต้องทำงานมากเวลานั่งสมาธินี้เป็นเวลาที่ร่างกายได้พักผ่อนไปในตัวด้วยร่างกายก็จะแข็งแรงขึ้น คำถามต่อไปจากคุณบรีสค่ะการไม่เกิดคือการไม่กลับมาทุกข์อีกในปัจจุบันการเกิดไม่ค่อยมีหรือน้อยลงอย่างนี้คนที่ตายจะต้องยังเวียนว่ายในพบอื่นๆต่อไปใช่ไหมเจ้าคะมันคุณไม่รู้ได้ไงว่าการเกิดน้อยลงอาจจะมนุษย์อาจจะเกิดน้อยลงแต่สัตว์อย่างอื่นมันมากขึ้นมีใครไปทำสถิติ ป, ปลาว่าเกิดกี่ตัวนกกี่ตัวมแมงกี่ตัวหรือเปล่ายัน การไปเกิดไม่ได้หมายความว่ามาเกิดเป็นมนุษย์เพียงอย่างเดียวนอกจากเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็ไปเกิดเป็นปลาเป็นปูเป็นหอยเป็นอะไรเพราะคนที่ทาบาปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเนี่ยไม่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์ก่อนหรอกต้องไปเกิดเป็นสัตว์ก่อนคำถามต่อไปจากคุณทัศนัยค่ะผมบริกา ร, รพุทโธแล้วมีความคิดอื่นเข้าแทรกควรทำอย่างไรต่อไปดีครับบางครั้งข่มจิตตนกลายเป็นความเครียดครับ อย่าไปขม ien, แล้วก็ท่องพุทโธของเราไปอย่าไปคมให้ความคิดอย่าไปสนใจความคิดมันจะแทรกเข้ามาก็ปล่อยมันแทรกเหมือนเราขับรถเนี่ยราก็ขับของเราไปคนอื่นก็จะแทรกเข้ามาบ้างก็ปล่อยก็แทรกไปเราก็ขับของเราไปอย่าไปวุ่นวายไปกัวงวลเกี่ยวกับการแทรกของคนอื่นของความคิดนให้อยู่กับพุโทโธพุโทโธพุโทโธไป แล้วเดี๋ยวความคิดที่คอยแทรกเข้ามามันก็จะน้อยลงเบาลงไปแล้วหายไปได้ในที่สุดคำถามต่อไปจากทางอินบ็อกซ์จากคุณโบค่ะการปฏิการปฏิบัติ ด, ดูแลสามีและการเลี้ยงลูกสองอย่างนี้เป็นการทำหน้าที่หรือทำบุญคะก็เป็นมงคลอย่างยิ่งหนึ่งในมงคลสามสิบแปดนะการเลี้ยงดูบุตรธิดาสงครสามีภรรยาเนี่เป็นมงคลเพราะว่าเขาก็เป็น ส่วนประกอบของชีวิตเรานั่นเองเพราะมีเขาเขาก็ทำให้เรามีความสุขการที่จะให้เขาทำให้เรามีความสุขเราก็ต้องทำให้เขามีความสุขเราก็ต้องเลี้ยงดูเขาให้เขามีความสุขเพราะเขามีความสุขเขาก็จะให้ความสุขกับเราอย่งนี้มันก็เป็นเรื่องของ <S 2> <S 2> จะเป็นหน้าที่ก็ได้บุญก็ได้อันนี้ส่วนใหญ่เราจะไม่ได้ถือว่าเป็นการทำบุญมากกว่าเพราะมันเป็นการ แลกเปลี่ยนกันเอเราทํานี้เพื่อให้เขาได้มาทำอย่างนี้ให้กับเราเอใช่ไหมเรามีสามีมีภรรยาเราก็ต้องการสิ่งตอบแทนจากเขาไม่ใช่จะจะเอาให้เข า, เอาอะไรฟรีๆงั้น <c oughs> แต่เวลาเราทําบุญนี่มันเราให้ฟรีๆเราไม่เอาตอบแทนเวลาเราให้เงินขอทานเราบอกให้มึงเดี๋ยวมึงเป็น นอนกักูกสักชั่วโมงนี้ไม่ได้ใช่ไหมก็เพียงแต่ให้เงินเข้าไปแล้วก็จบเนี่ยงั้นคิดว่าเป็นหน้าที่เป็นการประกอบหน้าที่ของผู้ที่อยู่ร่วมกันเพื่อที่จะได้มีความสุขกันเนี่ยไม่ใช่ไม่เลี้ยงดูเลี้ยงดูก็เลี้ยงดูแบบโหดร้ายทารุณกับลูกกับภรรยากับสามีส่วนตัวเองอยู่ดีกินดีสุขสบายอย่างนี้มันก็มันก็โหดร้ายทารุณเนี่ย ทำให้เขาเป็นเหมือนทาตตัวเราเป็นเหมือนเหมือนเหมือนกับเจ้านา ย, ยานี้มันก็ไม่มีความสุขค่ะคําถามต่อไปจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามค่ะลูกสาวและสามีเสพกัญชาเราชี้นําแล้วเขาไม่รับฟังเราต้องทําใจปลงปล่อยวางอุเบกขารักษาศีลภาวนาและจะอย่างนี้จะช่วยเขาได้หรือไม่คะไม่ได้หรอกเรื่องของเขาเขาต้องเปลี่ยนตัวเขาเอง เขาทาอะไรอย่างอื่นเยอะแยะที่เราไม่ได้ไปอยากให้เขาทำนะเราไม่เห็นเดือดร้อนใช่ไหมพอเขาไปทําในเรื่องที่เราไม่อยากเขาทําแล้วก็เดือดร้อนขึ้นมาเรื่องอื่นเขาที่เขาทําที่เราไม่ได้ไม่ได้อยากให้เขาทาเราก็ไม่เดือดร้อนนี้เราก็มาหยุดที่ใจเราทั้งความเดือดร้อนมันอยู่ที่ใจเราอย่าไปอยากให้เขาทําในสิ่งที่เราอยากแล้วเราก็จะไม่เดือดร้อน ส่วนตัวเขาเขาจะดีจะชั่วก็อยู่ที่การกระทาของเขาคำถามต่อไปจากคุณจินดาค่ะการทำบุญหมายถึงอะไรครับการทำบุญก็คือการสร้างความสุขใจด้วยการเสียสละแบ่งปันทรัพย์สมบัติประโยชน์สุขของเราให้แก่ผู้อื่นโดยไม่เรียกสิ่งตอบแทนกลับมาเช่น<ม>บริจาคเงินให้กับอตอนนี้โรงพยาบาลต้องการทรัพยากรในการเอามา รักษาโรคภยัยไข้เจ็บอย่างนี้เป็นต้นเราให้โดยที่เราไม่ได้เรียกร้องอะไรเป็นผลตอบแทนกลับมาแต่ให้แล้วเราจะเกิดความรู้สึกสุขใจเอ่มใจขึ้นมาเรียกว่าเป็นการทําบุญคำถามจากคุณสุสูค่ะขณะนั่งสมาธิมีน้ำตาไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวเจ้าค่ะอยากทราบว่าสาเหตุที่น้ำตาไหลออกมานี้เป็นเพราะอะไรคะ ก็ไม่รู้เหมือนกัน่ะมันอยู่ที่ตัวของคุณเองน้ําตามันไหลมีหลายสาเหตุด้วยกันนะอบางทีตามันมีปัญหามันก็น้ําตาไหลได้บางทีอะไรเข้าไปในตามันก็ทำให้ตามีน้าตาไหลออกมาได้นบางทีนั่งแล้วใจมันมีความรู้สึกสุขสบายมันก็อาจจะเกิดความเพิ่มปิติมันก็อาจจะน้ําตาไหลออกมาได้อันนี้ก็เป็นเรื่องของน้าตา ก็ให้รู้ไว้เท่าที่มันเป็นไปตามความเป็นจริงก็แล้วกันมันไม่ไปเป็นเรื่องที่เราจำเป็นที่จะต้องไปแก้ไขเพราะมันไม่ได้เป็นปัญหาปัญหาก็คือการอยากจะไปรู้ต้นเหตุของมันมากกว่าตัดความอยากรู้อยากเห็นที่ไม่ไม่ใช่ไม่ไม่เป็นเรื่องจำเป็นที่ต้องรู้จะดีกว่าแล้วก็รู้เรื่องตามความเป็นจริงว่ามันเป็นอย่างนี้แหละมันเป็นอนิจจังเกิดขึ้นแล้วเดี๋ยวมันก็ดับไปถ้ามันไม่เป็น มันไม่ได้ทําให้เราทุกข์เราก็ไม่ต้องไปแก้ไขดัดแปลงถ้ามันทําให้เราทุกข์เราก็ไปหาสาเหตุว่าอะไรทําให้เราทุกข์แล้วก็ไปแก้ปัญหาที่ทำแก้ตัวที่ทําให้เราทุกข์ต่อไปค่าคถามต่อไปจากคุณยีนค่ะนิสัยของเราแต่ละคนเป็นผลมาจากการกระทําหรือกรรมในอดีตชาติครับนิสัยก็แปลว่าการกระทําที่ซ้ําๆซัซซกๆักเนี่ยทำอยู่เรื่อยๆมันก็กลายเป็นนิสัยขึ้นมา แล้วถ้าทําแบบเอาแบบเอาจริงเอาจังเอาแบบเอายึดยึดเอาติดอย่างนี้มันก็เป็นสันดานขึ้นมามันก็มีสองระดับนิสัยแล้วก็สันดานสันดานนี่มันก็จะลึกฝังลึกในใจกว่านิสัยนิสัยนี่บางทีพอไม่ได้ทําสักครั้งสองครั้งก็อาจจะเปลี่ยนนิสัยได้แต่สันดานนี่บางทีไม่ทําสักสองสามครั้งมันก็ยังมันก็ยังอยู่เห็นก็ เป็นเรื่องที่เกิดจากการทำอะไรจําเจเคยชินเนี่ยเคยใช้มือขวาไปเรื่อยๆมันก็จะติดเป็นนิสัยไปเคยใช้นิ้วมือซ้ายไปเรื่อยๆมันก็จะติดเป็นนิสัยไปเคยกินอะไรไปทุกวันมันก็จะเป็นนิสัยถึงเวลาก็ต้องกิน เ, น, เนีย่ยเรว่อนิสัยคำถามต่อไปจากคุณมาลีค่ะเวลาเวลานั่งสมาธิเกิดจิตฟุ้งขึ้นมาจะจัด ก, การอย่างไรดีคะก็เพราะคุณไม่มีสตินั่นเอง การนั่งสมาธิก็ต้องมีสติใชต้องดูลมหายใจเข้าออกหรือบริกรรมพุโทโธพุโทโธหยุดความฟุ้งให้ได้นีครัำถามต่อไปจากคุณเบลค่ะนั่งสมาธินา น, า น, น, านเริ่มสงบแล้วเกิดความปวดชาควรทําอย่างไรครับปฏิบัติอย่างไรถึงจะถูกทางหรือก้าวหน้าขึ้นครับเวลานั่งสมาธิแล้วมันเริ่มเกิดอาการเจ็บเกิดอาการชาขึ้นมาถ้าอยากจะก้าวหน้าก็นั่งต่อไป มืนขับรถเนี่ยพอขับรถไปแล้วรถมันเริ่มมีปัญหาเช่นยางอาจจะแตกอย่างนี้เราก็ต้องซ่อมยางซ่อมเสร็จเราก็ขับรถต่อไปอันนี้ทางปฏิบัติเรื่องของการเจ็บของอาการเจ็บช้านี้เป็นเรื่องของร่างกายไม่ใช่เรื่องของจิตใจเราก็ไม่ต้องไปสนใจมันเราก็ภาวนาต่อไปดูลมหายใจต่อไปหรือพุโทโธต่อไป แล้วเดี๋ยวถ้าเราเกาะติดอยู่กับลมเ<ม>กาะติดอยู่กับพุทธโธได้เดี๋ยวอาการเจ็บชามันก็จะหายไปเองแล้วจิตเราก็จะสงบเพิ่มมากขึ้นไปตามลำดับคำถามต่อไปจากคุณปริชาติคะ่ะพระอรหันต์ขนาดมีชีวิตอยู่ยังต้องรับกรรมใช่ไหมเจ้าคะท่านก็ไปเหมือนคนทั่วไปถ้ามีเหตุการณ์มีกรรมอะไรเข้ามา <c oughs> กระทบท่านก็รับไป เพียงแต่ว่าต่างกันตรงที่จิตใจของท่านไม่เดือดร้อนกับการรับวิบากกรรมของทางร่างกายที่อาจจะใครโดนเขาดา่าเช่นองค์คุลิมานก็ถูกชาวบ้านคอยเอาก้อนเห็นเีืยงใส่เวลาชาวบ้านจับได้ได้ว่าอ๋ออันนี้เป็นองค์คุลิมานเคยมาฆ่าคนในหมู่บ้านเขาเพอเขาเห็นเขาก็เลยไล่ด้วยการใช้ก้อนเห็นเฟืองใส่ท่านก็ต้องรับกรรมไปะ พระโมคคัลานะท่านก็ต้องถูกเขาฆ่าตายไปเนี่ยแต่ใจของท่านเฉยเฉยเหมือนกับไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเพราะท่านเห็นด้วยปัญญาว่าร่างกายไม่ใช่ตัวท่านร่างกายเป็นเหมือนรถยนต์โยมขับรถไปใครเอาน้ําสาดใส่รถยนต์ก็ปล่อยมันศาดไปสิคนขับรถอยู่ในรถไม่ได้เปียกไปกับอน้ําที่รถยนต์ถูกสาดก็เป็นแบบนั้นความทุกข์ทางกายไม่ไปถึงความทุกข์ในจัก ความทุกข์ทางกายไม่สามารถเข้าไปในใจของพระอรหันต์ได้คำถามต่อไปจากคุณพี่จากคุณพี่พบค่ะมีเหตุปัจจัยอะไรบ้างครับที่มีผลให้มนุษย์ไปเกิดเป็นเพศ ช, ชายหรือหญิงในชาติหน้าครับก็นิสนัยนี่แหละการทำอะไรไปเรื่อยๆมันก็ติดเป็นนิสัยไปแล้วก็บางคนก็อยากจะเปลี่ยนใช่ไหม เปี่ยนที่นี่ระหว่างเปลี่ยนมันก็ลอกเป็นกระเทยไปก่อนเะราต้องใช้เวลาหน่อยเพราะเวลามันเปลี่ยนไม่ทันในชาตินี้ชาตินี้เป็นหญิงก็หัดไปทำเป็นตัวเป็นผู้ชายแต่ทำได้ครึ่งหนึ่งยังไม่ได้เต็มร้อยเดี๋ยวชาติหน้าก็มาเกิดเป็นกระเทยนร่งกายเป็นผู้หญิงแต่ใจเริ่มเป็นผู้ชายนะเริ่มอีกทางก็เหมือนกันผู้ชายอยากจะเป็นผู้หญิงก็หัดทาตัวเป็นผู้หญิงไป แต่ทำยังไม่ครบเต็มร้อยมันก็เลยเป็นก่อเธอไปก่อนเป็นครึ่งไปก่อนอยู่ที่การเปลี่ยนนิสัยนี่เองเปลี่ยนความชอบนิสัยก็เกิดจากความชอบพอเราชอบอะไรเราก็จะทำเรื่องนั้นอยู่เรื่อยจนเป็นนิสัยขึ้นมาคำถามค่ะวันนี้ผมได้เข้าฟังธรรมจากพระอาจารย์โดยทางโปรแกรม zoom ผมชื่อสามารถครับผมกราบขอธรรมจากพระอาจารย์ <spe aker> เพื่อมาปรับใช้ในการอ่านหนังสือของผมด้วยครับก็ <S <S ให้มีสติเนาะการหนังสือนี่จะได้ประโยชน์สูงสุดก็ต้องอ่านด้วยสติทางโล ก, กเขาเรียกว่าสมาธินี่คำว่าสติสมาธิทางโลกนี่ใช่สลับกันคือทางโลกไม่เข้าใจคําว่าสติเท่าไหร่สตินี้จะรู้เพียงแต่ว่ามีสติหรือหมดสตินะนะหรือไม่มีสติก็เสียสติก็เป็นคนบ้าไป แต่แล้วส่วนใหญ่จะใช้คำคำสมาธิแทนสติเพราะว่ า, าคนทางรูปไม่เคยได้สัมผัสกับสมาธิสมาธิจริงๆนี่เป็นความสงบของจิตที่เกิดจากการนั่งเพ่งอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งจนกระทั่งจิตจิตหยุดคิดก็เป็นสมาธิขึ้นมาแต่การมีสติก็หมายถึงว่าการให้มีใจจดจ่ออยู่กับเรื่องเดียวเรื่องที่กําลังเกิดขึ้นในปัจจุบัน เป็นกําลังดูหนังสือก็ให้มีสติอยู่จดจอ่ออยู่กับการดูหนังสืออย่งั้นแต่ทางโลกเราใช้คําสติใช้สมาธิแทนคําว่าสมาธิใช้แทนคําว่าสติเวันนี้ไม่มีสติไม่มีสมาธิในการอ่านหนังสือเลยวันนี้ไม่มีสมาธิในการทํางานเลยสแสดงถ้าเป็นภาษาธรรมต้องใช้คําว่าสติวันนี้ไม่มีสติอยู่กับการทํางานเลยไม่มีสติอยูก่กับการอ่านหนังสือเลย งั้นให้มีสติอยู่กับการอ่านหนังสืออย่างเดียวเวลาอ่านหนังสืออย่าอ่านไปฟังเพลงไปบางคนมีเครื่องหูฟังเข้าไปด้วยฟังเพลงไปอ่านไปรัตใจมันจะไปรับอะไรดีเนี่ยมันก็รับได้ทีละครึ่งอย่างละครึ่งจะลับกันไปเหมือนกินพิซซ่าสองรสเนี่ย <c oughs> <c oughs> มันก็ <c oughs> งั้นถ้าอยากจะได้ประโยชน์จากการอ่านหนังสือ <c oughs> ก็ต้องมีสติ ให้ใจจดจอ่ออยู่กับการอ่านหนังสือเพียงหนึ่อย่างเดียวอย่าไปทำอย่างอื่นพร้อมๆกันในขณะเดียวกันคำถามต่อไปจากคุณวิชัยค่ะมีเพื่อนคนหนึ่งไม่มีความเมตตาต่อสัตว์ต่างๆอ้างว่าไม่ชอบแต่เขาก็ทำบุญบ้างบางโอกาสแบบนี้ถือว่าเขาเป็นคนอย่างไรครับก็ไร้ควา ม, าวามเมตตาไม่มีความปรารถนาดีต่อผู้ในกรณนนี้ก็ไม่มีความปรารถนาดีกับสัตว์ ไม่ไม่แยแสปล่อยให้เขาเป็นไปตามบุญตามกรรมของเขาคำ ถ, ถามค่ะขอขอขอกราบเรียนถามว่าความตายอยู่กับเราตลอดเวลาใช่ไหมเจ้าคะความตายมันอยู่ที่ร่างกายแล้วมันพร้อมที่จะตายในทุกเวลาแต่ถ้ายังมีลมหายใจอยู่ความตายก็ยังไม่มา แต่ที่เขาบอกความตายอยู่กับเราตลอดเวลาก็เพื่อให้เราไม่ประมาทนั่นให้เราเตรียมตัวตายอยู่ทุกเวลาเพราะเราไม่รู้ว่าจะตายเมื่อไหร่ mm hmm. ถ้าเราเตรียมตัวแล้วเราก็เป็นเหมือนนอกมวยที่คอยซ้อมอยู่เรื่อยๆพอเขาเรียกขึ้นเวทีเมื่อไหร่ก็พร้อมที่จะชกกับคู่ต่อสู้ได้เลยแต่ถ้าเราไปคิดว่า mm hmm. คิวของเราอีกหลายเดือนตอนนี้ขอไปเที่ยวก่อนแล้วอยู่ดีๆเทรนเนอร์บอกให้มึงขึ้นวันนี้ <laughs> ไม่ได้ซ้อมไว้ขึ้นไบก็ถูกคนน็อกเท่านั้นเองเนี่ยคือความหมายให้เราเตรียมตัวให้เราซ้อมรับกับความตายให้ได้วิธีรับกับความตายก็ต้องทำใจให้สงบแล้วก็ปง่งยอมยอมรับความจริงว่าถึงเวลาของร่างกายที่จะต้องตายแล้วถ้าเราทำได้เราก็จะตายอย่างสงบตายอย่างสบายไม่ทุกข์กับความตายคำถามต่อไปจากคุณรัชนาค่ะ หากวันนี้เราทิ้งแม่พี่น้องครอบครัวเข้าวัดเราจะบาปไหมคะที่ทิ้งแม่และแม่ต้องร้องไห้ไม่บาปหรอกแต่ไม่ได้บุญเท่านั้นเองไม่ได้บุญจากการเลี้ยงดูแม่แต่ถ้าเราคิดว่าเราเป็นการไปแบบชั่วคราวเป็นการไปเพื่อพัฒนาตัวเราให้ดีเพื่อให้เรามีกำลังที่จะมาเลี้ยงดูแม่ให้ดีกว่าเก่านั้นการไปแบบนี้ก็ไม่ได้เป็นการเสียหายเหมือนพระพุทธเจ้าเห็นไหม พระพเจ้าก็ทิ้งครอบครัวไปหมดเลยทิ้งลูกทิ้งภรรยาทิ้งพ่อทิ้งใครไปหมดเพื่อไปบวชเพื่อไป พ, พัฒนาจิตใจของพ่อองค์เองพอทรงตัดสัตวแล้วพัฒนาจนสมบูรณ์แล้วก็มาช่วยพัฒนาพ่อต่อไปลูกต่อไปภรรยาต่อไปแม่เลี้ยงต่อไปจนได้ทุกคนได้พัฒนาตามเป็นพระอาหารหันต์กันขึ้นมาจนหมดถ้าอยู่กันในวังก็ไม่มีวันที่จะมีการพัฒนาเกิดขึ้นได้ เพราะไม่มีใครรู้จักวิธีพัฒนาจิตใจกันนั่นเองเยงั้นถ้าเราไปแบบไปไปแบบเพื่อไปพัฒนาจิตใจนี่ไม่ได้เป็นการทำบาปแต่มันแต่ช่วงนั้นก็ต้องยอมรับว่าไม่ได้ไม่ได้ทาบุญไม่ได้ดูแลพ่อแม่แต่บางทีมันมันจำเป็นอ่ะเหมือนเวลาทหารเขาต้องไปรบกับสงครามเนี่ยเขาก็ต้องทิ้งพ่อทิ้งแม่ทิ้งลูกทิ้งใครไปหมดเพื่อที่ไปทำหน้าที่ของทหาร เพื่อที่ได้ปกป้องรักษาบ้านเมืองให้ปลอดภัยพอสงคารามสงบเขาก็กลับมาอยู่ที่บ้านอย่างสุขอย่างสบายดีก็อยู่ด้วยกันรับปล่อยให้ค่าศึกศัตรูบุกเข้ามาในบ้านช่องแล้วก็ยึดบ้านช่องเป็นบ้านเมืองของเขาเราต้องอยู่เป็นทาสเนี่ยอันนี้ก็ในลักษณะอย่างนั้นถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วมันก็จะทาให้เราไม่ค่อยมีความรู้สึกผิดในใจของเราคาถามต่อไปจากคุณพัทธระค่ะ อารมณ์ของจิตเมื่อเห็นความตายแล้วปล่อยวางจริงๆเป็นอย่างไรครับเมื่อสองสามวันนี้ได้ทราบข่าวมรณาภาพของท่านพระอาจารย์สุดใจก็เลยพยายามใช้มรณานุสติให้เจริญขึ้นในใจจึง อ, อยากกลับเรียนถามพ่อแม่ครูอาจารย์ให้ชัดรวบยอดอีกทีว่าอารมณ์เมื่อเห็นความตายเป็นเรื่องปกตินี้มันเป็นอย่างไรครับหรือเราต้องฝึกซ้อมเรื่อยๆหากเราเจอโจทย์จริงๆที่ชัดกว่านั้นเช่นพ่อแม่เราเสียขึ้นมาเรา ถึงจะเจออารมณ์นั้นได้ที่จริงที่ละเอียดที่นานๆยิ่งขึ้นไปเพราะรู้สึกว่าประโยชน์ของมรณานุสติได้ประโยชน์สูงมากเลยครับก็คือเฉยไงมืนกัไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะมันไม่ได้เกิดขึ้นกับเราเราแดนที่นี้หมายถึงใจไม่มีเวลาร่างกายตายมันไม่ได้ไปทำให้ใจตายไปด้วยการที่เราบ่งได้ยอมรับความตายได้ก็เท่ากับว่าเราปล่อยร่างกายได้ ถ้าปล่อยได้จริงๆเวลาร่างกายเป็นอะไรเราจะรู้สึกเฉยๆแต่ถ้าเกิดอาการกลัวขึ้นมาเกิดเครียดขึ้นมาก็ทดสอบดูเสร็ลองไปอยู่ในที่น่ากลัวดูว่าดูว่าใจจะกลัวหรือไม่เช่นไปอยู่ในป่าชา้าเนี่ยไปหาป่าช้าที่ไหนสักแห่งค่ําคืนลองลองเข้าไปนั่งสมาธิไปนอนที่นั่นสักคืนหนึ่งดูอยู่จะรู้สึกมีความกลัวไหมหรือไม่ฉะนั้นก็ไปอยู่ในป่าที่มีสัตว์ สัตว์ล้ายอะไรทำนองนี้ดูสิว่าจะมีความกลัวหรือเปล่าถ้าเหมือนกับตายแล้วรู้สึกเหมืนอนหยบอยู่ในบ้านก็รู้สึกว่าแสดงว่าเราปป่งนะคำถามต่อไปจากคุณพิมพ์ค่ะเมื่อตายไปแล้วจะได้ไปกินอาหารที่เคยใส่บาดไว้จริงหจริงหรือเปล่าเจ้าค่ะมันเป็นอาหารทิพย์ไงมันก็จะนเนลมิตขึ้นมาในใจบุญนี้เป็นบุญที่เราทานี้จะเป็นเครื่องเนลมิต อสิ่งต่างๆที่เราอยากกินอยากอยากดูอยากฟังอเช่นเวลาเรานอนหลับเนี่ยเราก็มีบุญในระมิดให้เราฝันดีฝันว่าเราไปเที่ยวที่นั่นไปกินอาหารที่โอ้หรูหรามที่เวลาเตือนไม่มีสิทธิ์ที่จะไปกินคํำถามต่อไปจากคุณกิ่งแก้วคะ่ะพระนิพพานคือการดับการเกิดและหมายถึงการดับของดวงจิต ด, ด้วยหรือเปล่าเจ้าคะ ไม่เราเป็นการดับของกิเลสที่มีอยู่ในจิตนิพพานนี่เป็นการดับของกิเลสตัณหาโมหะอวิชชาไม่มีหลงเหลืออยู่ภายในจิตจิตไม่ได้ดับจิตยังอยู่เหมือนเดิมจิตเหมือนเหมือนเสื้อที่ได้รับการซักพอกเนพอเสื้อสกปรกเราก็ไปซักพอซักเสร็จอะไรหายไปล่ะคราบสกปรกหายไปแต่เสื้อไม่ได้หายไปฉันใดใจของเราก็มีคราบสกปรกคือกิเลสตัญหา อ, อยู่ติดอยู่ในใจของเราพอเราปฏิบัติทำสาเร็จปั๊บเนี่ยคาบกิเลส ท, ที่ติดอยู่ในใจก็หายไปหมดเลยเราก็เลยเรียกว่าใจที่สะอาดบริสุทธิ์ปราศจากกิเลสตัณหานี่ว่านิพพานนั่นเองเอาคำถามสุดท้ายนะค่ะคำถามค่ะคำถามจากสิทธวัต่าค่ะขอคำชี้แนะคำว่าละ บ, บาปสำคัญมากกว่าทาบุญครับ เพราะว่าบาปนี้มันมีผลกระทบที่รุนแรงกว่าจิตต่อจิตใจนั่นเองสมมติว่าตอนนี้เราเป็นมนุษย์ถ้าเราทำบาปนี้เราจะถูกเลื่อนลงไปจากการเป็นมนุษย์ไปเป็นสัตว์เดรัจฉานหรือไปเป็นเปรดเป็นสัตว์นรกแต่ถ้าเราไม่ทำบาปปั๊บเราก็ยังรักสถ า, านภาพของมนุษย์ได้ การทำบุญนี้เป็นเพียงการยกระดับให้สูงขึ้นเท่านั้นเองจากมนุษย์ขึ้นไปเป็นเทพถ้าไม่ได้ทำบุญก็เป็นแค่มนุษย์ไปก่อนแต่ถ้าได้ทำบุญก็จะได้ยกระดับขึ้นไปเป็นเทพเป็นพรมต่อไปเป็นพระอริยะบุคคลต่อไปแต่เบื้องต้นนี่เราต้องอย่าทำบาปก่อนเพราะทำบาปก็เหมือนไปติดคุกนั่นเองถ้าเราไม่ทำผิดกฎหมายเราก็ไม่ต้องไปติดคุกถึงแม้เราไม่ได้ไปทา บุญทำประโยชน์ไม่ได้รับรางวัลจากสถานที่นั้นสถานที่นี้แต่เราก็ยังอยู่อย่างอิสระต่อไปได้งั้นอย่าไปทำบาปล้วพอเราไม่ทำบาปได้แล้วต่อไปเราถ้ามีโอกาสทำบุญเราก็ทำไปถ้าอยากจะทำมันก็มีโอกาสเน่ยเพราะบุญมันมีหลายชนิดมันไม่ได้เกิดจากการเสียสละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองเพียงอย่างเดียวการทำประโยชน์สุขให้แก่ผู้อื่นด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งก็เป็นการทำบุญเหมือนกัน นอกจากนั้นยังมีการทำบุญที่เหนือกว่านั้นอีกคือการภาวนาการพัฒนายกระดับจิตใจให้สูงขึ้นอันนี้ก็เป็นการทำบุญเหมือนกันเอาแล้วนะวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านทั้งหลายจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเถอ